แกหนังสือหน่อยนะในหน้าสามรอยเก้าสิบเห็นย่อหน้าไหมย่อหน้าบทว่าปูณะจะปรังแปลว่าข้ออื่นยังมีอีกนะนี่แต่นี่จะให้บอกว่าข้างล่างข้างล่างปุณะจะปรังเนยนะบรรทัดที่สามหนึ่งสองสามเพราะอัฏฐาว่าตั้งไว้มั่นเนี่ยนะตั้งไว้มั่นตัวนั้นบาลีว่าสีระณะกรว่สีระณะ น, นะเรบอกไว้ก่อนว่า โน้ไปหน่อยว่าสีละนะตั้งไว้มั่นตัวนั้นมาจากคาว่าสีละนะศั์เนี้ยมีมีแปลไวหลายอาจารย์ด้วยกันสีละนะเดี๋ยวจะค่อยๆว่าอีกครั้งหนึ่งบันทึกให้รู้ว่าเป็นบาลีว่าสีละนะ่วนที่เชื่อว่าตั้งมั่นเนี่ยคืออะไรคือตั้งมั่นไว้ด้วยดีตัวนั้นมาจากคาว่าสมาทานังทอทงอ่ะนะสมาทานัง ตั้งเอ่อตั้งไว้มั่นตั้งไว้มั่นด้วยดีอ่ะคือสมาทานังส่วนบรรทัดล่างคําว่าอีกอย่างหนึ่งเป็นที่รองรับเอาไว้อันนั้นคืออุปทารนังมาจากคําว่าอุปทารนังคือความหมายของคําว่าศีลศีลคืออะไรศีลคือศีลนะศีลนะคืออะไรคือสมาทานะกับอุปทารนะแล้วก็เป็นที่รองรับตัวนั้นนะ่ะมาจากคําว่าอุปทานะอุปทารนัง คือคำว่าศีลเนี่ยนะอ่าสิบอาจารย์แปลก็แปลสิบอย่างเหมือนกันคนดูแลในฉบับนี้ฉบับอื่นเนี่ยนะทุกแห่งแปลไม่เหมือนกันสักอย่างนั่นก็เราก็มาสังเกตที่อัตตะก็ละกันเอาละนะก็ความในอัตกถาเมคิยสูตรอธิบายต่อไป ธรรมะเป็นเครื่องบ่มอินทรีย์เนี่ยนะเออขออภัยธรรมะเป็นเครื่องบ่มวิมุตต์หมายถึงว่าคุณธรรมที่ทำให้บรรลุมีอยู่ห้าประการใช่ไหมห้าประการมีอะไรบ้างหนึ่งมีมิตร ด, ดีมีสหายดีสองมีศีลเนี่ยนะมีศีลสามได้ฟังกระถาวถัตุสิบเนี่ยนะฟังกระถาวัตถุสิบสี่มีความเพียรห้า มีปัญญาอธิบายข้อสองเลยคือศีนเนี่ยนะบทว่าปุณะจะปรังแปลว่าก็ธรรมะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบทว่าศีลวานี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ที่ชื่อว่าศีลนี่เพราะอัฏฐาว่าอะไรอัฏฐแปลว่าเนื้อความเนี่ยนะความหมายของศีลเนี่ยคืออะไรกันแน่ที่บอกว่ารักษาศีล ร, รักษาศีลเนี่ยรักษาอะไรมัน อยากจะรู้ความหมายของศีลจริงๆบอกว่าที่ชื่อว่าศีลเพราะอาาัฏฐะคือมีความหมายว่าศีละนะตรงนี้แปลว่าตั้งมั่นนะบางท่านก็แปลว่ามูลรากะนะศีลนะนั่นเองเรียกว่าตั้งมั่นตัวนี้นะที่ชื่อว่าตั้งมั่นเนี่ยตั้งไว้อยาตั้งมั่นอย่างไรตั้งมั่นคือความหมายที่หนึ่งว่าสมาทานังสมาทานังก็คือตั้งมั่นไว้ด้วยดี อธิบายว่าความที่กายกรรมเป็นต้นเหมาะสมไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายเพราะความเป็นผู้มีศีลดีพันลักษณะของผู้มีศีลดีข้อแรกก่อนนะที่เรียกว่าตั้งมั่นเนี่ยอัตถะเนี่ยแบ่งขยายเป็นสองคำคืออุปสมาทานนางกับอุปทารานางคําว่าสม า, านานั้นหมายถึงกายวาจาใจเออขอไปกายวาจาของผู้มีศีลเนี่ย ไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจาย น, นะเราสังเกตดูกิริยาอาการของคนไม่มีศีลเป็นยังไงอย่างคนฆ่าเนี่ยนะกิริยาของคนที่กำลังฆ่ากำลังวางแผนฆ่ากายวาจาของเขาเป็นอย่างไรคนที่กำลังลักทรัพย์คนที่กำลังประพฤติผิดในกามคนที่กำลังพูดเท็จพูดคำหยาบเป็นต้นกายวาจาของเขาตั้งเอาไว้ไม่ดี น, นะเป็นกายวาจาที่เกลื่อนกลน เกล่อนกลล์มาว่ามันวุ่นวายซึ่งต่างจากมีศีลเนี่ยนะร่างกายวาจาของผู้มีศีลเนี่ยเป็นกายกรรมที่เหมาะสมไม่เกลื่อนกลลนไม่กระจัดกระจายไม่วุ่นวายเนี่ยนะอันนี้คือความหมายของศีลที่เรียกว่าสมาทานังตัวนี้นะสมาทานังก็คือควบคุมกายวาจาได้เป็นอย่างดีอันนี้บางท่านแปลว่าควบคุมนะ ตัวกุศลธรรมที่ให้ควบคุมไม่ให้กายเนี่ยไปทําชั่วคุมวาจามไม่ให้พูดชั่วมั้นไอกิริยาที่มาควบคุมกายวาจามไม่ให้ไปกับความชั่วตัวนั้นแหละเรียกว่าศีลหรือสมาทานนังตัวนี้อีกอย่างหนึ่งศีลเนี่ยเยชื่อว่าเป็นที่รองรับอุปธานนังความเป็นที่รองรับเอาไว้ โดยความเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมมีฌานเป็นต้นเพราะผู้มีศีลเนี่ยน ะ, ะกายวาจาที่เรียบร้อยเนี่ยเหมาะสมที่จะรองรับคุณธรรมอย่างอื่นๆ ถ, ถามว่าถ้าศีลเราไม่ดีเราจะเจริญกรรมฐานได้ไหมอย่าว่าแบบเจริญกรรมฐานระดับสูงเลยถ้าไปฆ่าใครมาเนี่ยยมจะนั่งฟังธรรมอย่างมีงความสุขไหมนะเพื่งโกงใครมาเนี่ยนะจะมานั่งยิ้มแย้มได้ไหมเป็นต้นเนี่ยนะ ยากนะถ้าเพิ่งไปด่าใครมาหยอกๆเลยเนี่ยสบายใจไหมก็ยากมันสรุปว่าถ้ากายวาจากเกลื่อนกล่นกระจัดกระจายไม่สามารถรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้เนี่ยนะไม่สามารถรองรับฌานเอ่อที่เรียกว่ารองรับสมถะวิปัสสนาระดับสูงไม่ต้องพูดถึงมรรคผลเพราะว่าเอ่อมันเหมือนกับความรั่วนะเหมือนกับว่าภาชนะที่รั่วไม่สามารถที่บรรจุน้ําได้เว้นแต่น้ําแข็ง บอกว่าถ้าน้ําธรรมดาเนี่ยภาชนะรั่วๆก็ไม่สามารถรองรับน้ําได้คุณธรรมชั้นสูงก็เหมือนกันถ้าขาดศีลศีลไม่ดีศีลไม่มีศีลไม่พอคุณธรรมอย่างอื่นเกิดไม่ได้พันกิริยาของตัวศีลเนี่ยนะอัทธาของศีลความหมายของศีลเนี่ยแบ่งออกเป็นว่าผู้มีศีลกายวาจาของเขาไม่ไม่เกลื่อนกลนไม่กระจัดกระจายซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ทุศีลหมดเลย กิริยาของผู้ทูศีลตรงกันข้ามกับคนมีศีลนะที่มันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงทีนี้กิริยาเหล่านั้นเนี่ยนะสามารถรองรับคุณธรรมชั้นสูงได้นะเป็นอุปนิสัยให้คุณธรรมชั้นสูงเกิดได้ไม่กางกั้นคุณธรรมชั้นสูงลักษณะอนนั้นแหละเรียกว่ามีศีลทีนี้คืออัตถะของศีลที่เรียกว่าแล้วลักษณะของศีลก็เป็นอย่างนี้ด้วย ที่ว่าอัฏถกัลักษณะตรงนี้เหมือนกันว่าลักษณะของศีลคือกายวาจาไม่เกลื่อนกล่นขณะเดียวกันก็รองรับกุศลธรรมชั้นสูงได้แล้วศีลนี่มีกิจเขาเป็นอย่างไรกิจของศีลกิจของศีลก็คือกำจัดความทุศีลหน้าที่ของศีลกำจัดความทุศีลเหมือนอย่างว่าหน้าที่ของอะโทสะกำจัดโทสะหน้าที่ของศีลก็กำจัดความ โทษศีลเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตเป็นตัวกำจัดการทำปานาติบาตเจตนาที่เว้นจากอธินาทานเป็นตัวการกำจัดอธินาทานเนี่ยนะมันลักษณะของศีลนั้นนะอ่ะเป็นปฏิปัติต่อความทุศีลกิจหน้าที่ของมีศีลคือกำจัดความทุศีลแล้วเรารู้ได้ยังไงผลปรากฏของการรักษาศีลคืออะไร คือความสะอาดเนี่ยนะความสะอาดทางกายความสะอาดทางวาจาและก็ความสะอาดทางใจเครวัตโศจยยะเนี่ยนะความสะอาดกายวาจาใจนี่เป็นอาการที่ปรากฏเป็นผู้มีศีลคือก็สังเกตดูถ้าของเราทั้งหลายถ้าเราไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยนะอากาศอบอ้าวเนี่ยถามว่าเป็นยังไงมีความสุขไหมก็ไม่ได้เรื่องนะความทุศีลก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะมันเป็นความที่เรียกว่า หมักหมมเหมือนกันนะหมักหมมทางความคิดที่มันอึดอัดเนี่ยนะเต็มไปด้วยความอึดอัดเต็มไปด้วยความคับแคบเต็มไป okay, ด้วยความเดือดร้อนลาบากซึ่งกิริยาเหล่านั้นเนี่ยประกาศถึงความเป็นผู้ไม่สะอาดไม่สะอาดทางกายไม่สะอาดทางวาจาแล้วก็ไม่สะอด า, าะอดทางใจผู้ที่มีเีนสํารวมในเีนเขาเหล่านี้เป็นผู้มีความสะอาดทางกายวาจาและใจแล้วศีมีอะไรเป็นเหตุใกล้ ถ้าเราจะให้ศีนเกิดเนี่ยเราเร า, เราต้องเจริญอะไรบอกว่าฮิเรโอตาปะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีนเหมือนอย่างว่าผ้าที่เรานุ่งหม่มที่นุ่งนุ่งอยู่เนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้เป็นเหตุใกล้ให้เรียกเสื้อเป็นเหตุใกล้ให้เรียกผ้าก็เรียกว่าเส้นได้ที่อยู่ในผ้านั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เรียกผ้าศีนก็มีฮิเรโอตาปะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดเศนฉันนั้นถามว่าเสื้อผ้านี่มีอะไรเป็นเหตุไกลๆหน่อย เหตุไกลให้เกิดเสื้อผ้าก็คือช่างช่างทอผ้าโรงงานทอผ้าเครื่องมืออุปกรณ์การทอผ้าเป็นต้นอ่ะเป็นเหตุไกลซึ่งสาเหตุใกล้ของผ้าจริงๆก็คือได้เหตุไกลก็คืออุปกรณ์พร้อมทั้งช่างทำนี่แหละเรียกว่าเหตุไกลเหตุไกลของผ้าชันใดศีลมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อ โ, ออโทษพิษภัยของบาปอันนั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีษ ไกลหน่อยก็คือมีศรัทธามีกรรมมัศกตาศรัทธาเป็นต้นแล้วก็มีสุตะฟังมาเป็นอย่างดีนะมีโยนิโสมนัสิการเป็นต้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดฮิริโอต ป, ปะทําให้เกิดการรักษาศีลทีนี้ศีลเนี่ยถามว่าอะไรคือศีลก็บอกว่าเจตนาคือศีลเจตสิกคือศีลสังวรคือศีลอวีติกมะคือศีล เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิิกระมะศีลเจตนาศีลคือเจตนาที่เว้นจากปานติบาตเจตนาที่เว้น จ, <ple as> จากอธินนาทานเจตนาที่เว้นจากการเมสุมิจฉาจารย์เจตนาที่เว้นจากมุสาวาเจตนาที่เว้นจากปิสุณาวาจาสอเสดเจตนาที่เว้นจากพูดคำยากเจตนาที่เว้นจากคาพูดเพ้เพอเจรไม่มีประโยชน์ เจตนาอันนี้เรียกว่าเจตนาศีลเจตนาเครื่องงดเว้นจากบาปทางกายและวาจาเจตนาที่ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติเจตนาตั้งใจอุปถาก ค, ครูอาจารย์อุปถากดูแลบำรุงพ่อแม่เป็นต้นเจตนาเหล่านี้เรียกว่าเจตนาศีลเขาก็มีคำถามว่า เขารักษาศีลนี่รักษาเจตนาหรือรักษาชื่อก็บอกว่าถ้ารักษาชื่อก็เหมือนกับรักษาสติกเกอร์สติกเกอร์ศีลห้าบอกฉันเป็นคนมีศีลห้านะอย่างเงี้ยก็เรกวรักษาสติกเกอร์อะไรนะรักษาเครื่องหมายนะมันมีสติกเกอร์ติดว่ามีศีลห้าแต่ถ้ารักษาศีลจริ ง, รงๆคือรักษาเจตนาศีลเจตนาเว้นจากปานาฏิบาติมีอะไรเป็นอารมณ์มีชีวิตดินศีลเป็นอารมณ์ เจตนาที่เว้นจากอธินาธานเนี่ยมีทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นอารมณ์เจตนาที่เว้นจากการเมสุมิชาจาร์มีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ของเราเป็นอารมณ์อ่ะ น, นะหมายว่าถ้าถ้ามีสามีภริยาอยู่แล้วะนะทีนี้เจตนาที่เว้นจากมุสาวาทมีอะไรเป็นอารมณ์ก็มีสิ่งที่พูดถึงนั่นแหละเป็นอารมณ์สุราเจตนาเว้นจากการดื่มสุราก็มีสุราเป็นอารมณ์แล้วงดเว้น แล้วละมันเมื่อเช้าเราบอกว่าปานาติปาตาเวรมณีเนี่ยถ้านึกถึงแต่คำํำเฉยๆก็สมาฐานสติ๊กเกอร์เห็นไหมสมาฐานอะไรนะยี่ห้อสมาฐานตาแต่ก็ไม่ใช่ตัวศีลตัวศีลคือเจตนาศีลทีนี้ถามว่าเครื่องหมายของผู้มีศีลเนี่ยนะเรามองเห็นปั๊บเนี่ยเห็ น, เ ห, นเห็นสิ่งมีชีวิตในโลกเนี่ยมองเห็นศีลตัวเองด้วยไหม ถ้ามองเห็นศีลด้วยก็นั่นแสดงว่าสมาทานศีนแล้วแต่ถ้าเห็นใครก็เหมือนเดิมหมดตอนก่อนสมาทานไม่สมาทานมีชีวิตตินซีเป็นอารมณ์ก็เหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าตอนนั้นสมาทานสติ๊กเกอร์จริงๆนะเนี่คงไม่เป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็ตั้งใจสมาทานเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตเมื่อมีชีวิตของสัตว์อื่นเป็นอารมณ์เนี่ย น, นะระลึกถึงศีลได้เลยระลึกถึงศีลได้เลย เม so, so yeah, th bon uh ื่อมีทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นอารมณ์ก็ระลึกถึงสินได้เลยนึกถึงศีลข้อที่ข้อที่สองนะก็ของของเรามีเท่าไหรเองนะดูรอบตัวเนี่ยรอบเดียวก็หมดแล้วไม่มีอะไรจะดูแล้วสำบัติของตัวเองอนะแต่ที่เหลือก็เป็นของผู้อื่นหมดเลยนั่นแหละสีลของเราแปะอยู่ตามนั้นหมดเลยนะเห็นของผู้อื่นก็เห็นศีลของตนแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่มีครอบครอบครอบครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยนะ Cries, เกิดอะไรขึ้นครอบครัวยังพูดยากเลยถ้ามีครอบครัวผู้อื่นเป็นอารมณ์มีผู้ชายอื่นเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่สามีตนก็บอกนั่นคือศีลของเราอะมองเห็นศีลที่ที่เราต้องสังวรระวังแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ชายละเห็นบุตรภริยาของผู้อื่นนั่นแหะคือศีลของเราล่ะฉั้นมองเห็นชีวิตสัตว์อื่นก็ม<ด>องเห็นศีลของตัวมองเห็นทรัพย์สินของผู้อื่นก็มองเห็นศีลของตัวมองเห็นหญิงอื่นชายอื่นก็เป็น รัพย์ศีลของตัวเห็นสิ่งเราจะพูดถึงสิ่งใดนั่นแหละศีลของเรามองเห็นเหล้าทุกขวดนึกถึงเหล้าทุกขวดก็เป็นศีลของเราถ้าอย่างนี้ก็รักรักษาศีลจริงเชื่อแล้วว่ารักษาศีลไม่ใช่รักษาสติ๊กเกอร์แล้ก็หมั่นสมาทานเราเรียกว่าศีล น, น, นั่นคือศีลเรียกว่าเจตนาศีลเจตนาที่รักษาตัวเจตนานั้นมันเห็นมดเมื่อไหร่ก็นี่ศีลของเรา เห็นปลวกก็ศีลของเราเห็นทรัพย์ผู้อื่นก็เป็นศีลของเราเห็นชีวิตของคนอื่นทั้งหมดเป็นศีลของเราหมดเลยก็สมาทานรักษากุศลเจตนาตนนั้นเอาไว้ให้ดีพันศีลเนี่ยสามารถเอามาเจริญได้กับทุกเรื่องทุกอารมณ์พวันวั น, วนหนึ่งเรามีปกติระ ล, ลึกถึงศีลได้แค่ไหนผันเขาบอกว่าผู้ที่สแสวงหาโภคทรัพย์ค้าขายเป็นต้นเนี่ยนะมองเห็นอะไรก็มองเห็นโภคทรัพย์ได้เลย ฉั้นใดก็ดีผู้ที่รักษาศีลทําไมมองเห็นอะไรแล้วรักษาไม่ได้ระลึกถึงศีลบ้างไม่ได้พันเห็นทุกอย่างเกี่ยวข้องกับทุกอารมณ์ก็ระลึกถึงศีลของเราเหมือนคนรักษาอุโบสถมองเห็นอาหารทั้งหมดคือศีลของเราอันนั้นน่นก็ศีลของเรานะพันวันไหนรักษาอุโบสถก็มองซ้ายมองขวาเห็นร้านอาหารก็บอกว่านั่นศีลของเราหมดเลยมองเห็นอาหารทุกจานทุกถ้วยเป็นศีลของเราหมด มองเห็นเครื่องประดับทุกชนิดนั่นศีลของเรานั่นศีลของเรามองเห็นเครื่องแต่งตัวนะมองเห็นการฟ้อนรําขับร้องดนตรีทั้งหมดเป็นศีลของเรามองเห็นที่นอนสูงที่นอนใหญ่ที่นอนที่ข้างในยัดด้วยนุ่นสําลีนั่นก็ศีลของเราแล้วก็เห็นอย่างนี้เครียกว่าเจริญกุศลศีลเจริญกุศลศีลถ้ากุศลศีลอันนี้ไม่มีออกจากอบายไม่ได้หรอกนี่นะเพราะศีลตัวนี้เนี่ย เป็นกุศลธรรมที่นําออกจากอบายท่านก็เห็นทุกอย่างก็ต้องเป็นศีลก่อนถ้าอบายยังข้ามไม่ได้อย่าเพิ่งไปเลยนิพพานไปที่ไหนก็ไม่รูนะ้นะนิพพานของนิพพานในความฝันอันนั้นไม่ใช่แบบนั้นเพราะนัก็พื้นฐานที่สําคัญที่สุดก็พยายามมองให้เห็นกุศลศีลให้ได้มองทุกอย่างมองเห็นทรัพย์ผู้อื่นทั้งหมดเป็นศีลข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์อะไรก็ช่างแต่ทั้งหมดเลย นั่นคือศีลของเราเพราะมองวัตถุเหล่านั้นสะท้อนให้ให้ออกมาซึ่งศีลของเราเรารักษากุศลเจตนาเรารักษาศีลเนรักษาชีวิตของคนอื่นรือรักษาเจตนาของเราเองอัน น, นรักษาเจตนาของเราเองว่าเจตนาของเราจะไม่ละเมิดในชีวิตของเขาจะไม่มีเจตนาประทุสร้ายชีวิตเขาเพราะเราไม่ฆ่าเขาก็ตายใช่ไหม เราไม่ฆ่าก็ายัางตายเลยเนี่ยนะวันหนึ่งรู้ตายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดนะวินาทีละประมาณห้าคนคลอดตอนนี้นะมาพูดหนึ่งคำนี่เด็กคลอดเลยห้าคนทั้งโลกเนะี่ยเฉพาะคนนะห้าคนทุกห้าวินาทีแล้วตายเท่าไหร่ก็เกิดเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้นเลยแต่ไม่ได้ตายพร้อมกันหมดนะไม่ได้หมายาว่าแต่ว่าทุกห้าเอ่อทุกวินาทีเนี่คลอดเลยห้าคนห้าคนห้าคนก็ประชากรในโลก ตั้งหลายพันล้านเนี่ยนะมันมากขนาดนั้นพรามเกิดเท่าไหร่มันก็ตายเท่านั้นใครจะไปห้ามความตายได้แต่ชีวิตเหล่านั้นเนี่ยเป็นที่รองรับแห่งกุศลศีลของเราเนี่ยนะรองรับกุศลศีลของเรามันชีวิตของสัตว์ทุกชนิดเมื่อเรามองเห็นสัตว์ทุกชนิดนั่นคือศีลของเรามองเห็นทรัพย์สินของผู้อื่นทุกชนิดก็เป็นศีลของเราเพศตรงข้ามทั้งหมดเป็นศีลของเราเนี่ยนะ ทุกอย่างที่เราจะพูดถึงนั่นแหละคือศีลของเราขวดสุราทุกขวดนั่นแหละไม่ใช่ตัวขวดอของที่อยู่ในขวดสุราไหาสุรานั่นคือศีลของเราใช่ไหมถ้ารักษาอุโบสถเมื่อไหร่ก็อาหารทุกชนิดคือศีลของเราเครื่องประดับทุกชนิดเป็นศีลของเราแล้วก็ตั้งใจเอาไว้เลยรักษาเจตนาศีลรักษากุศลศีลเขาเรียกว่าเจตนาศีล น, นี่ต่อไปถ้าสูงขึ้นไปหน่อยก็รักษา อโลภารักษาให้อโทสารักษาอะโมหะเกิดขึ้นนะรักษาเจตสิกศีนคือรักษาอโลภารักษาอโทสะรักษาอโมหะไม่ให้โลภเกิดไม่ให้โทสารุกไม่ให้โมหะเกิดควบคุมไม่ให้โลภโทะโมหะเกิดอันนี้เรียกว่ารักษาเจตสิกสินไปก็รักษาสังวรนะนะรักษาอินทรีย์สังวรอินทรีย์สังวรศีน รักษาขันติสังวรวิริยะสังวรเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นการรักษาศีลก็สมาทานศีลศีลเหล่านี้ที่ตั้งใจแบบนี้นี่แหละจึงจะรองรับคุณธรรมชั้นสูงนะรองรับฌานรองรับสมถาาวิปัสสนามัตผลได้แล้วก็ถามว่าเราต้องให้ศีลเนี่ยเกิดเท่าไหร่ให้ศีลเนี่ยเกิดบ่อยแค่ไหนอว่าให้เกิดบ่อยแค่ไหน ก็จนกว่าบอกโยมเคยเห็นแผ่นดินไม่ล่ะบอกเคยนั่นแหละให้กุศลศีลเกิดเท่าแผ่นดิน น, นะก็บอกว่าการงานที่ต้องทําด้วยแรงอย่างใดอย่างหนึ่งบุคคลยืนอยู่บนแผ่นดินแล้วถึงทํางานนั้นได้ฉันใดภิกษุก็ตั้งอยู่ในศีลและเจริญโทษชงฉันนั้นเพราะนัก็สมาทานศีลทุกทกทุกอย่างให้ให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นที่ตั้งรองรับคุณคือศีลของเราเพราะนัเรานื้คนที่มีศีลแบบนี้นึกถึงอะไรไปอบายได้บ้างอ่ะ นึกถึงชีวิตของคนอื่นก็ไปสุขคติเพราะเห็นนึกถึงคนอื่นเมื่อไหร่ก็นึกถึงศีลนึกถึงทรัพย์ผู้อื่นก็นึกถึงศีลพันมองทุกอย่างสะท้อนมาหาศีลหมดเลยเนีย่ยนะสะท้อนกลับมาหาศีลหมดเลยนั่นแหละจึงเป็นการรักษาที่ป้องกันอบายทุกขติวินิบาตได้จริงพันธอันนี้คือลักษณะของศีลว่ารองรับคุณธรรมชั้นสูงสรุปว่าศีลเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างใช่ไหมคือ กายวาจาไม่เกลีอดกล่นกระจันกระจายรองรับคุณธรรมชั้นสูงต่อไปได้อาจารย์บางท่านบอกว่าศีนเนี่ยพราะอธรรมเหมือนศีษะก็ได้เหมือนหัวหวังกันเถอะถ้าหัวขาดอะไรเกิดขึ้นถึงมีแขนสวยขาสวยก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าชีวิตมันอยู่ด้วยศีษะใช่ไหมศีนนี่จึงเป็นประดุษศีรษะศีนเนี่ยศีตะระแปลว่ายินคนมีศีนนี่จะเป็นคนที่ที่เย็นเยือกเย็นเนี่ยนะศีนเนี่ยตั้งมั่น ศีลเนี่ยเป็นปิดบาปกั้นบาปไม่ให้บาปเนี่ยไหลเข้าไปศีล น, นี้นั้นมีอยู่กับบุคคล น, นั้นโดยครบถ้วนแต่ว่ามีอย่างดีเยี่ยมเขาจึงเรียกว่าศีลวาวาผู้มีศีลคนที่มีคุณธรรมดังที่กล่าวไปเรียกว่าคนมีศีลอธิบายว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยศีลศีล น, นี่เป็นทรัพย์ใช่ไหม ถ้าศีลเป็นทรัพย์คนมีศีลเดินได้ก็คนมีทรัพย์เดินได้ทรัพย์เคลื่อนที่อย่างนั้นนะเนะ่ยแล้เป็นทรัพย์ที่ไม่สาธารณะต่อดินน้ำไฟลมด้วยเนี่ยนะไม่ไม่สาธารณะต่อทาญาทอันไม่เป็นที่รักมันก็จงสมทานศีลศีลเหล่านี้เนี่ยจะปกปักรักษาไม่ให้ตกไปสู่อาบายถามว่าศีลที่ว่านี้คืออะไร ถ้าเป็นพระภิกษุก็ปฏิโมคขสังวรถ้าเป็นคราวาสก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะรักษาเจตนา5ประการที่กล่าวไปแล้วเจตนาหาหรือเจตนาในกุศลกรรมบทเสบตั้งใจรักษาให้ดีเพื่อจะแสดงประการที่บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลนะมาดูลักษณะของผู้มีศีลก็คือเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปติโมคมีอาจาระเละโคจรเห็นภายในโทษมาตว่าเล็กน้อยสมาทานศึกษาในศิก ข, ขาบ ท, ทั้งหลาย คำว่าปาติโมกขสังวรปาติโมกปาติโมกขังก็คือศีลในสิกขาบทาบ e ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นคำว่าปาติโมกเนี่ยนะกาบปาติโมกมาเรียนเราได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วว่าปาติโมกปาติโมกก็คือศีลที่เป็นสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นในพระวิัยปิดกศีลในสิกขาบทนั้นชื่อว่าปาติโมก เพราะอาถาว่าทําบุคคลผู้ปกปักรักษาศีลสิกขาบทนั้นให้หลุดพ้นจากทุกขมีทุกข์ในอบายเป็นต้นเรียกว่าปาติโมกก็คือรักษาผู้ที่ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปสู่อบายมันพระพิสูจน์เนี่ยนะถ้าท่านอยู่ในปาติโมกขสังวรศีลยังไงก็ไม่ตกนรกที่ตกอบายก็เพราะทุศีนพันทุศีลเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในนรกเกิดในเดราชะนัชถ้ามีศีลก็พ้นจากนรกพ้นจาก เนรชันการปิดกั้นชื่อว่าสังวรได้แก่การไม่ล่วงละเมิดทางกายและวาจาสังวร น, นี่ก็คือปิดปิดไม่ให้ความชั่วออกมาทางกายไม่ให้ความชั่วออกมาทางวาจาสังวรคือปาติโมกเชื่อว่าปาติโมกขสังวรภิกษุผู้สำรวมมีกายวาจาเนี่ยปิดด้วยปาติโมกขสังวร น, นั้น จึงชื่อว่าสำรวมด้วยปาติโมคขสังวรทางกายเนี่ยปิดด้วยปาติโมคขสังวร น, นะสำหรับผู้ที่เขาถ้าเป็นพระภิกษุที่เรียนพระวินัยมาดีมองเห็นอะไรท่านจะมองเห็นศีลทุกอย่างของท่านอยู่ตามวัตถุต่างๆก็อย่างที่ว่าอย่างโยมเนี่ยนะถ้าสมาทานศีลหดีๆใช่ไหมเห็นชีวิตสัตว์อื่นก็มองเห็นศีลของตัวมองเห็นทรัพผู้อื่นก็มองเห็นศีลของตัวมองเห็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ครองของตนก็เป็น ศีล ส, สิ่งที่เราพูดถึงทุกชนิดนั่นคือศีลเล่าเล่าทุกขวดนั่นคือศีลของเราบอกไม่ได้ดื่มจากขวดดื่มจากแก้วไงวะที่แก้วก็ศีลเหที่ไหนก็ศีลหมดละทั้งทุกอย่างเนยนะถ้าเป็นรักษาอุโบโสถอาหารทุกอย่างเป็นศีลของเราเครื่องประดับทุกชนิดเป็นศีลของเราเป็นต้นเนี่ยนะก็มองทุกอย่างเป็นศีลหมดเลย ทนี้ถ้าเป็นพระพิสุทที่รักษาเนี่ยจะมองเห็นทุกอย่างและเห็นสิกขาบทเลยอย่างเช่นข้อหนึ่งเลยนะเห็นผู้หญิงเนี่ยเขบอกว่าปราชิกก็อยู่แถวนั้นแหละเห็นทรา์ผู้อื่นปราชิกก็อยู่แถวนั้นชีวิตของสัตว์อื่นก็ปราชิกเป็นต้นเลยนะอวดอุตรีมนุสธรรมก็เป็นปราชิกมันมองเห็นทุกอย่างมองเห็นศีลของตัวได้ในทุกอารมณ์เพราะเป็นผู้ที่รักษาศีลนะผู้ที่รักษาศีลเนี่ยรับทุกอย่างก็จะ พเะไม่ล่วงละเมิดเพราะมีศีลเป็นเครื่องปิดเครื่องกั้นเครื่องห้ามไม่ให้เกิดความทุศีล น, นั้นเขาเรียกว่าผู้มีปาติโมฆะสังวรคำนี้เนี่ยนะปาติโมฆะสังวระหมายถึงเป็นการแสดงที่ภิกษุนั้นตั้งอยู่ในศีล น, นั้นบทว่าวิหารติวิหารตินี่แปลว่าอยู่แสดงภาวะที่ภิกษุนั้นพรั่งพร้อมด้วยการอยู่ อันสมควรด้วยปาติโมคขสังวอนนั้นแสดงว่าอยู่ในที่ที่เหมาะสมต่อการรักษาปาติโมคขสังวรบทว่าอาจาระโคจระสัมปันโนเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอาจาระโคจาระเนี่ยนะอาจาระกับโคจระสัมปันโนแปลว่าพร้อมถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจระคือโคจรเป็นบทแสดงถึงธรรมที่มีอุปการะมากแก่ปาติโมคขสังวรนในเบื้องต่า แก่ความภาคเพียรเพื่อคุณวิเศษในเบื้องสูงเพราะคนที่รักษาปาติโมกเนี่ยนะถ้าอาจาระคือมัน ญ, ญาติไม่ดีเที่ยวไปในที่ไม่เหมาะสมศีลจะเหลือไหมก็บอกว่ามีทรัพย์นี่แหละนะเป็นคนมีสตังค์จะเที่ยวไปแต่ในดงของอะไรนะเที่ยวไปในแดนที่เขาปล้นกันเนี่ยนะถามว่าทรัพย์จะเหลือไหมไม่เหลือแน่นะใส่ตู้ทองเดินผ่านแต่มาหาโจรทั้งหลายเนี่ยนะก็ไม่รอดใช่ไหม ศีลก็เหมือนกันคนที่มีศีลจะต้องเลือกโคโจรของตนเพราะว่าถ้าไม่เลือกที่โคโจรเนี่ยปาติโมกกรักษาไม่ได้ถ้าปาฏิโมกรักษาไม่ได้คุณชั้นสูงจะเหลือหรือบทว่าอนุมัติเตสุวัชเชสุพยดาสาวีเป็นสแสดงเป็นบทแสดงภาวะที่ภิกษุไม่เคลื่อนจากปาติโมกขศีลเป็นธรรมดาเขาบอกว่าจะไม่มีการเคลื่อนเพราะมองเห็น โทษแม้เล็กน้อยก็ใหญ่เท่ากับผูภูเขาป่ะานั้นมองเห็นอบัตทุกกฎใหญ่เท่าปาราชิกเป็นตน้นบันประกาศทึงว่ารักษาศีลได้อย่างมั่นคงไม่มีการคลาดเคลื่อนสมาธายะแสดงการยึดถือสิกขาบทไม่เหลือไม่ใช่เลือกรักษาเป็นข้อๆไปนะพระพิสุไม่มีสิทธิเลือกว่าฉันจะรักษาข้อนั้นข้อนั้นฉันไม่รักษาเป็นต้นบอกว่าถ้าคุณเข้ามาอยู่ใน ธรรมวินัยนี้คุณต้องทำตามนี้ถ้าคุณไม่พร้อมที่จะทำก็มีโทษ น, น, นก็เสียหายไปสิคติแปลว่าเป็นบทแสดงภาวะที่พิสูจ์พรั่งพร้อมด้วยการศึกษาศึกษ า, กษาหมายคำว่าทรงจำไว้ได้ทำความเข้าใจและเอามาเจริญรักษาปฏิบัติตามนั้นได้บทว่าสิกขาประเดสุ เป็นบทแสดงธรรมที่ควรศึกษาก็คือสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั่นเอ ง, อ, งอันนี้ก็อธิบายโดยสรุปอันนีน้อธิบายปาติโมกขสังวะถึงพร้อมด้วยความสำรวมในพระปาติโมกมีอาจาระแลขโคจรเห็นโทษแม้เพียงประมาณเล็กน้อยสมมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายนี้มาดูอธิบายเพิ่มเติมว่าชื่อว่าปาติปาติ มาจากคำว่าปาติโมก น, นะก็แยกสับมาว่าปาติก่อนปาติแปลว่าอะไรปารติเพราะมีปกติตกไปในอบายมากครั้งปาตินะแปลว่าตกไปอบายคืรมาร่วงพลยพลยตกเลยนรกเปรตอสุรกาเดราชานอนเหตุผลก็บอกว่าชื่อว่าปาติหนึ่งเพราะมีปกติตกไปในบายหลายครั้งมไม่ใช่ตกไปครั้งเดียวเนาะสองเพราะกิเลสรุนแรงสามเพราะทําความชั่วได้ง่าย สี่เพราะทำบุญได้ยากไอ้ ใ, ใครที่ว่าเนี่ยบอกปุตุชนพวกปุตุชนนี่เป็นอย่างนี้จริงๆไะตกไปในอาบายเนี่ยไม่ใช่ตกไปครั้งเดียวตกครั้งแล้วครั้งเล่านันจึงบอกว่าอาบายนี้เป็นเหมือนบ้านเราของมันนั้นตกไปในอาบายหลายครั้งกิเลสก็แรงแรงเนี่ยนะอย่าปล่อยให้โกรธนะโกรธแล้วรูแลยากเหมืนก็นลองทำให้ใครโกรตัวสิเอายากมาก แล้วก็ความชั่วนี้ทําง่ายง่ายจะให้โลภให้โกรธให้หลง่ง่ายๆมากแต่จะให้ทําบุญให้ทานเป็นต้นยากพันนี้คือลักษณะของปุตชนอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาติเพราะถูกกําลังกรรมเนี่ยซัดไปในภพเป็นต้นกรรมเนี่ยมันซัดไปในภพสามะนะเ<น>พราะอะไรโดยภาวะไม่เที่ยงมีปกติไปโดยการหมุนไปโดยกําหนดไม่ได้เหมือนโพงนะ้ําเหมือนหม้อเครื่องยนต์ก็คือมันป้า ไหลไปในวัฏะเนี่ยนะอันนี้คือลักษณะของพวกปาติถามว่าใครก็พวกเราเนี่แหละอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าปาติเพราะมีปกติตกไปในอัตภาพแห่งสัตตนิกายนั้นๆด้วยอานาจมรณะหรือสันดานของสัตว์คือจิตนั่นเองนั้นปาติแปลว่าตายแ น, น่ที่ชื่อว่าปาติโมกเพราะยังผู้ตกไปนั้นให้พ้นจากสังสารทุก ผันใครที่รักษาปาติโมกศีลตัวนี้คุณธรรมเหล่านี้ทําให้ออกจากสังสารทุกข์เมื่อก่อนเนี่ยทำไม่เข้าใจเหตุผลเนี่ยอันนั่นก่อศีลอันนี้ก็ศีลบวชนี่มันยากก็ว่ากันรักษาศีลนี่มันของยากอะไรอะไรก็ผิดไปหมดอันนั้นคือคือไม่เห็นคุณอ่ะนะแต่ถ้าเข้าใจให้ดีบอกว่าคุณธรรมเหล่านี้ช่วยปกปกักรักษาไม่ให้เราตกไปสู่อบายเนี่ยนะรักษาไม่ให้ตกไปสู่อบายรักษาไม่ให้ตกไปในกองทุกข์ ถามว่าสิ่งที่รักษาไม่ให้เราให้เราไม่ตกไปในกองทุกข์เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายนะักหรือก็ไม่น่าเบื่อหน่ายหรอกเพราะว่าถ้าเรารักษาตามนั้นเราก็จะพ้นจากทุกข์ัปนปาติโมกเนี่ยผู้ที่รักษาปาติโมกได้ก็สามารถทําให้จิตหลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ตรัสว่าผู้มีจิตผ่องแผวย่อมบริสุทธิ์จิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นนั้นคนที่รักษาปาติโมกก็สามารถที่ทําให้จิต ผองแผ้วได้แล้วก็ทำให้จิตเนี่ยหลุดพ้นจากอาสวะได้เพราะเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นใช่ไหมมันปาติมโมกเนี่ยถือว่าเป็นคุณธรรมที่ปกปักรักษาไม่ให้ตกไปในสังสารทุกข์ไม่ให้ตกไปในอบายทำให้อ่าถ้าปฏิบัติรักษาตามปาติมโมกขสังวรเจริญสมถาวิปัสสนาก็พ้นจากปุทุชนกลายเป็นอริยชนเนี่ยนะ อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาติเพราะตกไปคือได้แก่ตกไปในสังสาระด้วยเหตุมีอวิชชาเป็นต้นดังที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปเล่นไปเที่ยวไปในพบน้อยพบใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทั้งหลายยังมีอวิชชาเป็นนิวรมีตันหาเป็นสังโยชนผูกมัด ก็แล่นไปแล้วใช่แล่นจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งแล่นจากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งเพราะว่าอาวิชานี่เป็นต้นเหตุใช่ั้ยอวิชานี่เป็นนิวรตัญหาเป็นสังโยชนีน่ทำให้ไหลไปทำชื่อว่าปาติโม ค, ค่ะเพราะเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ตกไปนั้นน่ะพ้นจากสังกิเลสสมมีตันหาเป็นต้นอั น, นารักษาปาติโมคได้ดีปาติโมคทาให้พ้นจากตันหา ปาฏิโมกข์ทให้พ้นจากทุจริตปาติโมกทําให้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเพราะปาติโมกขสังวรเนี่ยทำให้พ้นจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลายทําให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายดังนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติสิกขาบทแต่ละสิกขาบทเนี่ยพระองค์บอกเลยว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจักบัญญัติสิกขาบทแก่เธอทั้งหลายอาศัยอํานาจประโยชน์10ประการนี่นะ บอกไว้ก่อนเลยเหตุผลที่บัญญัติปาติโมกนะด้วยอำนาจประโยชน์10ประการหนึ่งเพื่อรับว่าดีแห่งสงคนะณะสง์ที่เป็นพระอริยะทั้งหลายท่านรับว่าดีเพราะถ้ามีศีลมีปาติโมกมีสิกขาบทมีบัญญัติอย่างงี้ดีถ้าไม่มีเสียหายแน่ดูสิก็สมัยนั้นจะบัญญัติตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอมีเรื่องมีราวทีบัญญัติทีเพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะไม่มีสิกขาบทนี้เมื่อมีสิกขาบทนี้ขึ้นสงทั้งหลายก็จะไม่เสียหาย จะไม่มีปัญหามาบอกว่าหนึ่งเพื่อรับว่าดีแห่งสงฆ์เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์สงทั้งหลายท่านก็จะสำราญจะอยู่สบายหมายความว่าถ้ามีศีลเนี่ยท่านจะรู้ขอบเขตกรอบกติกาของตัวเองท่านก็ไม่ต้องเดือดร้อนท่านก็ไม่ต้องลำบากท่านรู้ว่าท่านจะต้องรักษาแค่ไหนสังวรแค่ไหนเพื่ออยู่สาราญแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็น เ, เพื่ออยู่สาราญแห่งภิกษุผู้มีศีลอันเป็นที่รัก นนะให้พระพิสูจน์ที่รักษาศีลดีๆท่านอยู่ดีขึ้นอยู่สบายแล้วก็ข่มบุคคลผู้เก้ อ, อยากกว่าจะแปลได้ว่าเก้ อ, อยากบอกว่าแปลว่าหน้าด้านเห็นไหมเก้ อ, อยากก็คือเก้อแปลว่าอายใช่ไหมอายยากอะ่ะเก้ อ, อยากก็คืออายอยากเหลือเกินแปลงั้นไม่มีอย่างอายนั่นแหละมันก็ข่มบุคคลผู้เก้ อ, อยากเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งขึ้นของ ชมชนเพื่อที่เลื่อมสายแล้วเพื่อกำจัดเรื่องราวความเสียหายในปัจจุบันที่มีอยู่ปัญหาความวุ่นวายสารพัดอย่างนีก็เกิดจากการไม่มีปาฏิโมกข์ไม่มีการรักษาศีลแล้วก็เพื่อป้องกันอบายถ้ารักษาได้แล้วจะป้องกันอบายทุกขติวินิบาตและนรกแล้วก็เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมถ้าปฏิบัติตามศีลปริยติสัทธธรรมก็จะดารงอยู่ได้ ปฏิบัติัตยธรรมปฏิเวสัตธรรมก็จะดำรงอยู่ได้ น, นะปริยัติปฏิบัติปฏิเวสก็จะคงอยู่แล้วก็เพื่ออนุเคราะห์สังบอร์วิไนปะหานวิไนสมถาวิไนและบัญญัติพระวินยัยเพราะนั้นอันนั้นคือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติปาติโมกขันสรุปว่าปาติโมกนั้นสามารถป้องกันไม่ให้บาปอากุศลเนี่ยมันเกิดขึ้นป้องกันความทุกข์ที่จะมีต่อไปใน อนาคตได้พันศีเหล่านี้เนี่ยปกปักรักษาจริงๆเนี่ยเติอตอนต้นเหมือนเราเป็นผู้รักษาศีลแต่เอาเข้าจริงๆแล้วศีลรักษาเราเนี่ยเตอนแรกเหมือนกับว่าเราเนี่ยรักษาศีลเราต้องรักคอยรักษาศีลเป็นห่วงศีลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ศีลเนี่ยรักษาเราถ้าลองเราไม่ทำตามศีลดูสิอะไรจะเกิดขึ้นก็เดือดร้อนพันคนที่เนี่ยยอมให้ศีลมารักษาตัวเอง นะยอมคือเรียกว่าทำมังสารนังฆ่าฉามนี้ก็คือยอมให้ศีลสมาธิปัญญามาดูแลตัวเองเนี่ยนะยอมให้ศีลสมาธิปัญญามาตกปักรักษามไม่ให้ตกเราเนี่ยตกไปในบาปอากุศลไม่ให้ตกไปในอาบายไม่ให้ตกไปในวะตะัตถธรรมโมเวรคกติธรรมจารีใช่ไหมทำแลยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมก็จะตกปักรักษามไม่ให้ตกไปในอาบายทุกติวินิบาดนารกตอนแรกกขาบอกอุยศึกษาธรรมะแล้วอยู่ยากยากานะ ก็อยู่ยากสิใช่อยู่อาบายไม่ได้เลยยากเนี่ยนะนะเพราะว่าเขาไม่ให้อยู่ในอาบายอยู่แล้วถ้ารักษาศีลดีเนี่ยนาะจะทำให้พ้นจากอาบายถ้ายินดีในอาบายก็รักษาศีลยากเหมือนแต่ถ้ารักษาศีลดีเนี่ยศีลเนี่ยจะห้ามอะไรที่เป็นเหตุให้เราผิดพลาดทั้งหลายศีลจะห้ามเราดังนั้นชีวิตของผู้มีศีลจริงๆเนี่ยคือชีวิตที่มีธรรมรักษา นะมีมีกุศลธรรมเป็นเครื่องรักษาวั้นถ้าหากว่าเราสมาทานศีลจริงนะก่อนที่เราจะไปสักแห่งหนึ่งจะไปหาใครสักคนหนึ่งนึกถึงเลยนะตรวจดูว่าไปหาคนนั้นแะล้วศีลอะไรจะหลดุดจะร่วงได้บ้างถ้าไปแล้วจะขาดศีลแม้แต่ข้อเดียวอย่าไปก็เหมือนกับว่าไปที่ไหนแล้วจะต้องเสียเงินเนี่ยนะเสียเงินแบบไม่ได้ผลประโยชน์ด้วยเสียเงินแบบไม่ว่าด้วยนะไปคดีติดตัวมาคดีหนึ่งด้วยอย่างเงี้ยนะถามว่าน่าไปไหม ไม่น่าไปฉันใดเราไปที่ไหนที่เป็นเหตุให้ศีลเราขาดทุศีลอย่าไปเลยเนี่ยนะถ้าพูดกับใครแล้วจะต้องเสียศีลอย่าพูดเลยนะถ้าจะไปทําอะไรไปที่ไหนเมื่ อ, อไรอย่างไรเนี่ยนะถ้าดูแล้วศีลขาดก็แปลว่าเสียเสียทรัพย์เสียอริยทรัพย์ถามว่าถ้าเสียอริยทรัพย์เนี่ยท่านในโลกนี้เนี่ยถ้าเสียทรัพย์เนี่ยอย่างมากก็จนใช่ไหมก็บอกว่านั่นความจนอันนั้นก็ไมไ่ถือว่าเรื่องหนักอะไรแต่ถ้าเสียศีลเนี่ยเสียสุขติภพเลยจิ พันทุสีลตรงไหนประตูอบายเปิดตรงนั้นเสียสีลเรื่องอะไรประตูนรกเปิดตรงนั้นนะนะมันเปิดได้ทุกแห่งหมดเลยเพราะอะไรเพราะก่อนตายเราคิดได้ทุกเรื่องถ้าคิดเรื่องไม่ดีไปไหนก็ไปอบายถ้าคิดถึงเรื่องดีก็ไปสุขตินะนะพันธสเนี่ยเป็นตัวรักษาไม่ให้จิตของเราตกไปในอกุศลไม่ให้จิตเนี่ยตกไปในบาปเมื่อจิตไม่ตกไปในบาปก็สามารถที่จะผลทุกได้ อีกอย่างหนึ่งเชื่อว่าปาติมตเพราะเป็นเครื่องตกไปในอบายะทุกข์และสังสารทุกข์ของสัตว์ได้แก่กิเลสมีตันหาเป็นต้นคือกิเลสเนี่ยนะกิเลสสังกิเลสมีตันหาทุจริตทิฏฐิเนี่ยเป็นเหตุให้ตกไปในอบายเป็นเหตุให้ไหลไปในวัตฏะ ตันหาเนี่ยนะเป็นตัวที่ทําให้สัตว์เนี่ยไปในอบายไปในวัตะดังที่พระองค์ตรัสว่าตันหาย่อมยังบุรุษให้เกิดและกล่าวว่าบุรุษมีตันหาเป็นเพื่อนสองชื่อว่าปาติโมกเพราะพ้นจากการตกไปจากตันหาสังกิเลสนั้นั้นคนที่รักษาศีลได้ดีเนี่ยตันหาจะลดลงเนี่ยนะตันหาความเพลิดเพลินในวัตถุทั้งหลายจากลดลงคือคนที่เพลิดเพลินในวัตถุเพลิ ด, ดเพลินในอารมณ์ทั่วๆไปเนี่ยนะ ประกาศถึงว่าเขาเป็นคนหิวหิวอยู่ตลอดเวลาคือไม่อิ่มเลยแบบนั้นเถอะเมื่อไม่อิ่มเนี่ยมันก็ต้องการอะไรนะต้องการบริโภคใครเคยกระหายน้ํำไหมมันมีน้ํานิดเดียวแล้วก็อยากดื่มอยากดื่มอยากดื่มอยากดื่มกระหายไปเรื่อยๆส่วนผู้ที่รักษาศีลดีเนี่ยมันอิ่มอยู่ในตัวอิ่มอยู่ในใจใจนี่มันอิ่มใจก็ไม่กระหายแหมก็สมาทานศีนแล้วทําไมยังอยากอยู่ละ่ะก็ยังศีลไม่ดีศีลไม่พอ คุณธรรมคือศีลอย่างไม่ดีคุณธรรมคือศีลอย่างไม่พอถ้าคุณธรรมคือศีนคุณธรรมที่เรารักษาพอจริงๆเนี่ยนะมันลดความทะเยอทะยานลดความต้องการถามว่าทำไมจึงลดได้เพราะมีความอิ่มภายในสมมติถาว่าโอโ้โหเรากินข้าวอิ่มเต็มที่เลยทานอาหารอิ่มที่เราอร่อยที่เราชอบที่สุดอิ่มแป้เลยนะก็บอกว่านัดกินเลี้ยงฟรีเราจะไปไมรู้สึก ทานไม่ได้ไม่แต่คําเดียวเนี่ยเราต้องการจะเอาอีกไหมถ้าใครชวนไปทานที่ไหนไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมนั่นก็เหมือนกันถ้ารักษาศีลได้เต็มเปี่ยมเนี่ยนะศีล น, นำมาซึ่งอวิปปิสารนํามาซึ่งปีติและปรามโมทปีติก็คืออิ่มใจนั่นแหละถ้ารักษาศีลได้ดีเนี่ยนะมันก็มีความอิ่มอกอิ่มใจนะมีความมีความสุขในภายในโดยที่ไม่ต้องการวัตถุภายนอกมามาอะไรมาบํารุงบําเรือนะ เขาบอกว่าคนที่รักษาศีลดีเนี่ยนะก็เหมือนกับคนที่ไม่มีแผลต้องคอยให้ไม่มีอะไรที่ต้องคอยมาไม่คันเหมือนั้นเถอะเมื่อไม่คันถามว่าจะต้องไปแสวงหาสิ่งที่มาช่วยเกาไหมฉันใดคนที่มีศีลก็รักษณหนะ่ะรักษาแผลคันได้นะนะั่นแหละอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาติเพราะเป็นที่ตกของสัตว์สัตว์นี้ตกไปที่ไหนอายตนะภายในหกับอายตนะภายนอกหกนี่นะ สัตว์ทั race, right? like ้งหลายเนี่ย right? ก like ็พร้อมมีอาตนาภายในยาตนะภายนอกใช่ไหมดังที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์โลกเกิดพร้อมกับยาตนาภายใน6และยาตนาภายนอก6ย่อมทําการชมเชยในยาตนาภายใน6และยาตนาภายนอก6คือชีวิตของเราเนี่ยนะเกิดเมื่อไหรเกิดเมื่อยาตนะ6ก่อตัวขึ้นเมื่อมีตาหูจมูกเลนกายใจนี่แหละเราเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าสัตว์ใช่ไมเขาคำว่าสัตว์เนี่ยก็คือตาหูจมูกเลนกายใจประชุมกันเลยเราเรียกว่า เมื่อมีตาหูจมูกเลนกายใจเมื่อมีตาของคู่กันก็คือสีเมื่อมีหูคู่กันก็คือเสียงมีจมูกคู่กันก็คือกลิน่นมีเลนคู่กันก็คือรสมีกายคู่กันก็คือผลทพัพพะมีใจก็มีคู่กันคือธรรมอารมณ์เรื่องราวให้ใจนึกคิดไป น, นะพันปาติก็คือตกไปในอายตนะภายในแล้วก็ตกไปในอายตนะภายนอกปาติโมกคืออะไร ปฏิมกเพราะพ้นจากการตกไปในอายตนะภายในหและอายตนะภายนอกหกเป็นตัวที่ฉุดดึงออกจากอายตนะภายในและอายตนะภายนอกถ้าไม่มีตาไม่มีสีความทุกข์ที่เกิดจากตาสีจะมีไหมไม่มีเอาถ้าขาดตาขาดสีมันก็จะมีความสุขได้ตรงไหนอ่ะเอาเมื่อกี้ถามว่า ถ้าไม่มีตาไม่มีสีความทุกข์ที่เกิดจากตาและสีจักมีไหมบอกไม่มีคนก็ถามบอกถ้าไม่มีทุกข์มันจะมีสุขได้หรือเขาบอกงั้นเพราะสุขกับทุกข์เป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นควรมีตาควรเห็นสีจะได้มีความสุขจะมีทุกข์บ้างก็ช่างมันเถื่ออย่างนี้หรือเปล่าตาบางอย่างเราก็ไม่อยากจะมีใช่ไหมดีว่าบุญชาตินี้มันให้ผลเนี่ยได้ตาคู่เหล่านี้มาถ้าบาปให้ผลเนี่ยตามจะเป็นแบบไหน หน้ามีไม่ตาบุญให้ผลเราก็ได้ดูแต่ภาพที่สวยถ้าหมดบุญอหลของที่สวยนั่นน่ะนะเคยเห็นดอกไม้เฉาไหมอดีตมันคืออะไร <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็คือดอกไม้สวยนี่นะที่สุดของดอกไม้สวยก็คือดอกไม้เฉาดอกไม้เหี่ยวดอกไม้แห้งนี่นะพันธุที่สุดของสีสวยๆก็คือเป็นสีที่เสียนะชั้นใดาตาที่เรียกว่าดีแต่ว่า สีที่เปลี่ยนไปเนี่ยนะใจของเรายังปกติตามเดิมไหมเตืนเช้ามาเนี่ยนะส่องกระจกแล้วหน้าเราไม่เหมือนเดิมหมดทุกอย่างหมดเลยนะจากเคยสวยอย่างที่เห็นเนี่ยมันตรงลดลงแปดสิบเปอร์ซ็นตทันทีเลยเนี่ยนะยิ้มเลยใช่ไมเออใช่แล้วใช่แล้วมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ใช่หรอกเนาะเครียดจัดเลยแหละมา ปกติอายุเท่าเดิมเนี่ยนะแต่หน้าเท่ากับอายุคนร้อยยี่สินี่ยนะทำใจได้ไหมทำใจไม่ได้นะนี่ก็เหมือนกันเพราะตากับสีเป็นที่ที่เกิดแห่งความทุกข์สารพัด ท, ทุกข์บางอย่างนะถ้าเราไม่เห็นเราจะทุกข์หรือความทุกข์ทั้งมวลเกิดจากตาเกิดจากสีถ้าไม่มีตาไม่มีสีเนี่ยทำให้พ้นทุกข์ปาติโมกขสังโวเนี่ยทำให้พ้นจากตาทำให้พ้นจากสีเนี่ยนะ อันนี้พูดแบบภาษาปรมัตดเลยนะเขบอกว่าถ้าเพรากว่าถ้าไม่มีตาไม่มีสีจกมีนี่มีศีลไหมถ้าไม่มีตาไม่มีสียอมว่าจะมีนรกไหมไม่มีเปรตก็ไม่มีอสุรกายก็ไม่มีได้รชานก็ไม่มีมีปัญหาความวุ่นวายทั้งหมดไม่มีเลยถ้าไม่มีตาไม่มีสีบางคนก็บอกเออถ้าไม่มีตาไม่มีสีมันมีแต่อย่างอื่นนะสิบอกว่าอันนี้เป็นคําที่บอกถ้าไม่มีสีมีอะไรเป็นเหตุใกล้ มหาพูตรูปถ้าไม่มีมหาพูทธรูปก็จึงไม่มีสีตามีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีมหาพูตรูปเป็นเหตุใกล้คนที่ดับตาดับสีได้จริงๆคืออรหัตตมรักเนี่ยนะอระหัตตมรักนะจึงเป็นตัวดับตากระดับสีได้อย่างแท้จริงแต่ก็ไม่ใช่ดับเฉพาะหนะ้าเนี่ยนะหมายถึงว่าตาสีที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เกิดจากกรรมในอดีตเป็นปัจจัยแต่ดับตากับสีที่จะเกิดในอนนะัคือดับต้นเหตุที่จะทําให้เกิดตาเกิดสีใน อนาคตพันเมื่อดับตาดับสีได้ก็สามารถที่จะดับกองทุกได้รักษาปาติโมก็คือรักษาเพื่อที่จะดับกองทุกเนี่ยนะดับไม่ให้อ่ามุ่งกำจัดตาอ่ามุ่งกําจัดอายตนะภายในหมุ่งกําจัดอายตนะภายนอกหกําจัดในที่นี้หมายถึงกําจัดฉันทราคะในอายตนะภายในและอายตนะภายนอกเพราะว่า ข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาไม่มีหรอกทิมตาให้บอดไปเที่ยวทําลายสีสวยๆในโลกให้หมดเลยเขามีอย่างนั้นไหมไม่มีเนาะอาญาหยอดตาที่หยอดครั้งเดียวแล้วบอดสนิทเลยหรือไม่ก็สีที่สวยๆในโลกนี้ช่วยกันตะทุศร้าให้หมดจะได้ดูไม่สวยเขาไม่มีการใครทาํางงกัน อ, กอย่างนี้กันหรอกนมันหมายถึงว่ามุง่งรักษาศิกขาบอ ท, ทั้งหลาย ที่เป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานให้กําจัดชันทราคาในอายตนะเหล่านี้ ป, ปาติโมกก็คือทำให้พ้นจากอายตนะภายในหกทำให้พ้นจากอายตนะภายนอกหกอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาติคือสังสาระสังสาระนี่แปลว่าลำดับแห่งขันธาตุอายตนะไหลไปสืบเนื่องชื่อว่าปาติคือขันธาตุอายตนะที่ไหลไปสืบเนื่องเพราะมีการตกไปคือทาให้ตกไป เชื่อว่าปาติโมกก็ทําให้หลุดพ้นจากขันธาตุอายตนะเหล่านั้นก็คือทําให้หลุดพ้นจากลําดับที่ไหลไปแห่งขันธาตุอายตนะสรุปว่าถ้าเธอกลัวทุกเธอก็รักษาปาติโมกถ้าเธอกลัวขันธาตุอายตนะก็รักษาปาติโมกเพราะปาติโมกเป็นเครื่องทําให้พ้นจากขันธาต์และอายตนะทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทำมิสอน ชาวโลกเฉลิมพระนามว่าปฏิเพราะเป็นอธิบดีของสรัรพพสัตว์ของสัพพโลกคือโลกทุกอย่างในในบรรดาภพทั้งมวลพระพุทธเจ้าใหญ่ที่สุดชื่อว่าโมคขะเพราะเป็นเครื่องพ้นของสัตว์ชื่อว่าปาติโมกเพราะเป็นเครื่องพ้นแห่งพระผู้มีพระภาคผู้ได้พระนามว่าปฏิเหตุที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติเอาไว้คือหมายคำว่าปาติโมกคือคําสอนที่พระพุทธเจ้า บัญญัติเอาไว้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติปาติโมกเหล่านี้ก็ไม่มีถามว่าแล้วแล้วจะมีแล้วไม่มีได้ไหมไม่มีแล้วหมดได้ไหมหมดได้ถ้าไม่มีใครรักษาปาติโมกเหล่านี้ก็เป็นอันหมดนั่นไงตอนนี้ก็เกือบจะหมดนะเพราะว่าไม่มากนักที่รักษาปาฏิโมกนั่นแหละ ปาติโมกข์ก็คือเครื่องหลุดพ้นของพระพุทธเจ้านะก็เลยเรียกว่าปาติโมกเครื่องที่หลุดพ้นของพระพุทธเจ้าเครื่องมือทีอ่พระพุทธเจ้าเอาไว้ช่วยสัตว์ให้พ้นจากวัตะคือปาติโมกปาติโมกนี่เครื่องมือของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงเพื่อช่วยให้สัตว์พ้นจากสังสารทุก์ตอนหลังๆมาสัตว์ไม่ต้องการพ้นทุกก็เลยไม่รักษาปาติโมกเพราะมเขาบอกว่ารักษาแล้วมันทุกข์เขาว่างั้น ตอนหลังได้ยินหลายท่านก็บ่นว่าเนี่ยโมแต่รักษาปาติโมกเลยเนี่ยเลยมีแต่ความทุกข์นะความทุกข์ก็คืออะไรคือสนองกิเลสหลายตัวไม่ได้ก็เลยบอกว่ารักษาแล้วก็มีแต่ความทุกข์เขาไม่รู้หรอกว่าพระพุทธเจ้ารักษาเขาขนาดไหนคือบางทีเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าพ่อแม่ฟังปาติโมกก็เหมือนกับพ่อแม่ที่บ่นเรื่องอะไรนะเรื่องยาเสพติดกับลูกนะคล้ายๆแบบนั้นนะฟังแล้วมันน่าราคาญอย่างเง้ยนะ ผู้ที่ไม่ปรไม่ไม่ต้องการพ้นทุกข์จริงๆเนี่ยจะบอกว่าโอ้ยฟังปาติโมกและมันน่ารำคาญ ม, มันก็ทำยังไงให้มันสวดให้มันย่อเข้าสั้นเข้าเป็นต้นเนี่ยนะพยายามที่จะกรังเกียดปาติโม ก, กันมากอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาติโมกเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นชื่อว่าเป็นใหญ่โดยอดถาว่ามีคุณทั้งปวงสูงสุดนั้นอันมีคุณนั้นเป็นมูลและชื่อว่าผู้พ้น โดยอัฏฐะตามที่กล่าวแล้วปาติโมกนั่นแหละชื่อว่าปาติโมกนะพระพุทธเจ้าผู้มีคุณอันสูงสุดผู้หลุดพ้นแล้วได้แสดงปาติโมกเหล่านี้เพื่อความหลุดพ้นแห่งสรพรพสัตว์ทั้งหลายของเรานี่ก็นึกถึงปาติโมกของเราคือศี่ห้าไว้ก่อนใช่ไหมเอาให้พ้นจากอะไรอาบายเนี่ยนะนึกถึงกุศลกุศลศีลเหล่านั้นเพื่อจะได้ปกปักไม่ให้เราตกไปในอาบาย อีกอย่างหนึ่งศัพท์ว่าปะใช้ในอัฐิว่าประกาศปะปาติโมกเนี่ยคือประการต่างๆอิอติเนี่ยนะอติแปลว่าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นชื่อว่าปาติโมกเพราะล่วงพ้นส่วนโดยประการโดยทุกประการคือทําให้พ้นทั้งหมดจริงๆจริ ง, รงอยู่ศีล น, นี้ชื่อว่าปาติโมกเพราะทําตัวศีลให้หลุดพ้นได้จริงด้วยตะทางขาวิมุติ ศีนเนี่ยหลุดพ้นใช่ไนหะหลุดพ้นจากปาณาติบาตด้วยเว้นจากปาณาติบาตหลุดพ้นจากอธินนาทานด้วยงดเว้นจากการถืออ่าด้วยเว้นจากอธินนาทานหลุดพ้นจาก ก, รการประพฤติล่วงพรหมจรรย์ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์หลุดพ้นจากมุสาวาทด้วยพูดคําจรงิงเป็นต้นเนี่ยนะครับมันจะมีการหลุดพ้นไปเรื่อยๆหลุดพ้นแบบนี้เรียกว่าตะทางขวิมุติหลุดพ้นจากบาปเหล่านั้น ที่จริงเนี่ยคนที่รักษาศีลได้ดีเนี่ยเขาดีใจนะที่เขาได้รักษาศีลเสียใจมากถ้าจะไม่ได้รักษาศีลเพราะอะไรเพราะรักษาศีลเนีทำให้เขาพ้นทุกข์อ่ะถ้าไม่รักษาเนี่ยมันทุกข์จริงอยู่เพราะความเขา่ามองว่าตอนล่วงศีลมีความสุขเพราะความโง่แท้ๆเลยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะต้องเดือดร้อนเหมือนกับบอเกลือนก้อนก้อนไฟเลยแหละเนี่ยนะตอนหลังเขาจะเดือดร้อน Ight, อตอนหลังมานี่เห็นชัดเลยว่าคนที่ทุลวงศีลเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆเลยนะแต่ตอนทุศีลในกิเลสมันรุนแรงมองว่าไม่เดือดร้อนแต่ข้าเขามองให้ดีๆเนี่ยการทุศีลการทําบาปแต่ละครั้งเนี่ยมันเร่าร้อนจริงๆเลย ม, มันทุกข์มากๆเลยมันคนที่ทําบาปล่วงศีลทุศีลเนี่ยเหมือนกับสาปแช่งตัวเองการทุศีลเนี่ยเหมือนสาปแช่งตัวเองสมมติถ้าเราฆ่าสัตว์นะเราคําว่าฆ่าสัตว์ก็คือฆ่าทําลายชีวิตของสัตว์อื่นทั้งหมด เท่ากับแช่งขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยนะเป็นอกุศลคือสร้างมีแต่ความเสียหายให้เกิดโทษขึ้นภายในใจขอให้ข้าพเจ้าอายุสั้นบอกหลายคนเนี่ยพอฆ่าคนอื่นเสร็จปั๊บรู้ตัวเลยว่าข้าพเจ้าอายุสั้นแน่เพราะการประทุษร้ายชีวิตสัตว์อื่นหมายถึงว่าบันทอนชีวิตของตัวเองให้อายุสั้นลง น, นะแล้วก็สาบแช่งให้ตัวเองอายุสั้นในชาตินี้สาบแช่งให้ตัวเองนี่มีศัตรูคู่เวรขึ้น แล้วก็สาบแช่งให้ตัวเองตกนรกสาบแช่งว่าเกิดชาติใดขอให้ทุกคนตามไล่ตามล่าตามเข็นตามฆ่าโดยส่วนเดียวคุณโยมเคยเห็นไหมว่าสัตว์บางตัวนี่เขาตามไล่ล่าจริงๆเลยนะนี่ไปอยู่ตรงไหนเขาก็ตามฆ่าคนบางคนนี่พอเกิดมาเนี่ยนะเขาตามฆ่าตั้งแต่อยู่ในท้องเลยเขาบอกเออเนี่ยเป็นลูกของคนตระกูลนั้นอย่าเอาไว้เลยตามฆ่าโดยส่วนเดียวบางทีตามฆ่าตั้งแต่อยู่ในครันคลอดมาจากครันก็ถูกตามไล่ตามล่าตามเข่นตามฆ่า ตามล้างตามผลานถ้าจับได้ก็มีรางวัลให้อีกเนี่ยนะเพราะโทษของการเข่นฆ่าเป็นต้นมันก็เท่ากับสาบแช่งตัวเองให้เกิดชาติใดปางใดถูกฆ่าถูกฆ่าถูกฆ่าไปเรื่อยๆเนี่ยนะทีนี้ถามว่าเอาแล้วถ้าผิดศีลข้อที่สองก็สาบแช่งขอให้ตัวเองเดือดร้อนขอให้ขอให้ตัวเองเนี่ยทรัพย์สินเสียหาย สาบแช่งอะขอให้ข้าพเจ้าตกนรกเกิดมาชาติใดปางใดก็ให้มันทุกข์ให้มันยากให้มันยากให้มันจนมีทรัพย์ใดก็มีแต่ความชิบหายวายวอดไปหมดแล้วก็สาบแช่งตัวเองอย่างเงี้ยไปเรื่อย ๆ, ๆอ่นะเขาไม่สาบแต่ก็คือสาบเขาไม่แช่งก็คือแช่งถ้าเขาผิดศีลข้อที่สไปแล้เขาก็แช่งละ่ะนะชาตินี้เขาก็มีศัตรูขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเขาผิดผิดศีลหนึ่งทีนะเขาได้ศัตรูทันทีเลย สมมุติถ้าผู้ชายไปผิดลูกหลานาลูกเมียของผู้ใดเนี่ยได้ศัตรูทันทีเลยได้ศัตรูกับใครกับสามีเป็นต้นของเขาเนั่นแหละกับตระกูลนั้นเนี่ยถือว่าตัวเองเนี่ยสมท า, านศัตรูกับตระกูลนั้นเรียบร้อยแล้วเขาจะมีใครชื่นชมไหมไอ้นีเนี่ยนะได้ศัตรูขึ้นทันทีผูกเวรทันทีนี่ถามว่าแม้กระทั่งผู้หญิงที่ไปผิดกับชายอื่นก็ท้าสมาทานความเป็นศัตรูกับสามีตัวเองทันทีชาตินี้ก็เกิดศัตรูเยอะแล้วไม่มีใครชอบไม่มีใครยินดีไม่มีใครพอใจ ใส่แล้วถามว่าชาติหน้าล่ะก็ไปสู่อาบายทุคติวินิบาต์พอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็สาบแช่งขอให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่คล้ายๆกับกลุ่มคนสองเพศทั้งหลายหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงขอให้ไปที่ไหนประชาชนชุมชนรังเกียจหมดนั้นบางคนเนี่ยได้ดีไม่ได้เป็นที่น่ารังเกียจของชุมนุมชนเนี่ยนะเป็นคนที่หน้ารังเกียจเนี่ยทั้งๆ ท, ที่บางคนเนี่ยชาตินี้ดูไม่ได้มีความผิดอะไรแต่กลายเป็นคนที่หน้า รังเกียจเนี่ยนะไปที่ไหนไม่มีใครชอบเพราะศีษไม่ดีนั้นรักษาเศษนี้ก็ทำให้หลุดพ้นทีนี้ถามว่าถ้าเราพูดเทปบ่อยๆเนี่ยก็สาบแช่งให้ตัวเองไงสาทุกนะขอให้ถูกหลอกตลอดไปก็แช่งให้ถูกหลอกอะไรถ้าดูเศษเนี่เอาถ้า ถ, ถ้าดื่มสุราไว้มากๆอ่ะสาบแช่งเกิดชาติไหนปางไหนตกนรกดื่มน้ำทองแดงอย่างที่เขาว่า เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ให้ปัญญาอ่อนตั้งแต่เกิดเลยปั๊มปั๊มเปอรเปอร์จำอะไรก็ไม่ได้เห็นอุจจาระเป็นอาหารอย่างเงี้ยนะก็นั่นแหละกลุ่มนั้นแหละทั้งกรรมแล้วที่พูดนี่ไม่ใช่เรื่องไม่มีจริงนะมันก็มีอยู่จริงๆอย่างนี้นั้นก็เท่ากับสาบแช่งตัวเองอยู่ตลอดกาลพอามาบอกว่าเกิดมาเป็นศัตรูตัวเองมาตั้งกต่ปางไหนนั่นะผูกเวรทําไมต้องมาเกิดมาเพื่อสาบตัวเองให้มันรุนแรงที่สุดเลยนะเกิดมาสาบเกิดมาแช่ง เกิดมาประทุษร้ายตัวเองหรือว่าสงสัยเป็นศัตรูกันมาก่อนนะเนาะหรือว่าตัวของตัวก็ยังไม่มีเลยมากไปมั้งขงาบอกว่ามันยังไงยังไงก็รักษาศีนเอาไว้บ้างแล้วศีนเนี่ยนะถ้าประกอบกับสมาธิทำให้หลุดพ้นด้วยวิขำพนะปะหารถ้าศีลสมาธิประกอบกันทำให้หลุดพ้นจากกิเลสด้วยสมุเทเฉทวิมุต พันศีนเนี่ยทเป็นตัวที่ทำให้พ้นจากอบายทุกติวินิบาทำให้พ้นจากกองทุกขในวะตะัตตอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปฏิโมกเพราะหลุดพ้นเฉพาะอธิบายว่าหลุดพ้นจากวีติกมะโทษนั้นนั้นเฉพาะอย่างก็อย่างที่กล่าวว่าเจตนาศีนที่เว้นจากปานาติบาหลุดพ้นจากปานาติบาเจตนาศีนที่งดเว้นจากอธินาทานหลุดพ้นจาก อทินนาทานก็หลุดพ้นจากความชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยนะก็หลุดไปเรื่อยๆก็เลยเรียกว่าปฏิโมกอีกอย่างหนึ่งหรือว่านิพพานนี่ชื่อว่าโมกขะโมกขะความหลุดพ้นเนี่ยเป็นชื่อของนิพพานชื่อว่าปฏิโมกเพราะเปรียบด้วยกับโมกขะศรษเนี่ยนะเปรียบด้วยกับนิพพานเลยนะศีษที่รักษานี่เปรียบด้วยกับนิพพา น, นะ น, า น, น, านอธิบายว่าจริงอยู่ตรงนั้นบอกว่าอธิบายหรือว่าตอกย้ำว่า ศีล ส, สังวรเป็นเหตุทำพระนิพพานให้เกิดเหมือนพระอาทิตย์ทำอรุณให้เกิดถามว่าถ้าไม่รักษาศีลเนี่ยคิดหรือว่าจะบรรลุนิพพานบรรลุไม่ได้อยู่แล้วและศีลเหล่านี้เนี่ยนะมีส่วนเปรียบด้วยพระนิพพานเพราะทํากิเลสให้ดับตามสมควรศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นกุศลธรรมที่ทําให้ดับกิเลสก็เลยเรียกว่าปฏิโมก อีกอย่างหนึ่งปาติโมกนั้นะนะ่ะเพราะแปรไปคือทำทุกข์ให้พ้นไปปติโมกนั่นแหละชื่อว่าปาติโมกคือปาติโมกเนี่ยนะเป็นเครื่องมือที่ทำให้กำจัดความทุกข์กำจัดวัตถุทุกคนที่รักษาทุศีนก็คือคนที่สมาทานความทุกข์คนที่รักษาศีลก็คือคนที่สมาทานที่จะทำเหตุแห่งความสุขเนี่ยนะชื่อว่าสังวรก็เพราะว่าปิดกัน้น สังวรคือปาติโมกชื่อว่าปาติโมกขสังวรแต่เมื่อว่าโดยความหมายได้แก่งดเว้นจากโทษที่จะพึงก้าวล่วงนั้นๆและเจตนาเพราะนั้นคำว่าปาติโมกขสังวรคืออวีติกรรมเสียนการไม่ก้าวล่วงการไม่ล่วงละเมิดเจตนาที่เป็นเหตุให้ไม่ล่วงละเมิดพราะั้นรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆแล้วกลายเป็นคนรักษาศีลถ้าโยมนั่งเฉยๆเนี่ยโยมรักษาศีลไหมศีลรักษาศีลหรือรักษาเจตนา ถ้าบอกว่าเออเนี่ยนะฉันมานั่งอยู่เนี่ยไล่ดูแล้วหนึ่งสัตว์ก็ไม่ได้ค่ะทราบผู้อื่นก็ไม่ได้เอาผิดกา ร, ร ม, มีก็ไม่มีมุสาก็ไม่ได้ไม่ใช่ดื่มสุราก็ไม่ใช่นั่งดูทีวีเฉยๆนะนะมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึง่งก็นั่งดูต้นไม้อยู่เฉยๆเนี่ยนะผิดศีลตรงไหนก็บอกว่าคุณไม่ได้เปิดประตูอบายตรงนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เปิดประตูสวรรค์และก็ไม่ได้ปิดประตูอบาย น, นะนะ สมมติอย่างว่าแม้ต่ทั้งดูต้นไม้เฉยๆเนี่ยถ้าแมลงมากินต้นไม้ที่รักมากๆแล้วจะทำไงจะเก็บแมลงขอให้เธอไปดีมีสุขนะแมลงคิดอย่างนั้นไหมไม่หรอกเนาะบอกว่ า, วารักต้นพริกมากะนะเกิดแมลงบอกนึกถึงยาเลยทันทีอย่างเีเพราะนั้ น, นรักษาศีลเนี่ยนะเป็นคือรักษากุศลเจตนารักษาเจตนาทั่วในครั้งว่า เศษข้อที่หนึ่งมีชีวิตของสัตว์อื่นเป็นอารมณ์นะมีชีวิตของสัตว์อื่นเป็นอารมณ์ก็ต้องนึกถึงศีลของตัวเองมีทรัพย์สีนของผู้อื่นก็มีศีลเกิดขึ้นสมาทานศีลมีมีอะไรบุตรภริยาผู้อื่นสามีคนที่ไม่ใช่สามีของตนเป็นอารมณ์ก็บ้องเป็นนึกถึงศีล น, นึกถึงศีลแล้วก็สิ่งใดที่เราจะพูดถึงให้นึกถึง ศีนเอาไว้เสมอเหมือนอย่างว่าเวลาที่เราไปจ่ายตลาดใช่ไหมเห็นสินค้าปั๊บมองเห็นราคาเลยมองเห็นสินค้าตัวงบอกอันนี้ต้องเสียเงินเท่าไหร่ก็บอกสติกเกอร์เลยอันนี้พันสองพันสามพันห้าพันนี่หมื่นสองหมื่นนึงติดติดสติกเกอร์ไว้หมดเลยว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าคุณเอาสิ่งนี้ไปจ่ายเท่าไหร่ทีนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่ามองเห็นชีวิตสัตว์อื่นแล้วน้อมเอามาน้อมมาค่าคุณก็จ่ายด้วยถูกประหารต่อไปในอนาคต เห็นทรัพย์ของผู้อื่นแล้วคิดอัินาทานก็จายด้วยอะไรก็ยากจนต่อไปในอนาคตเป็นต้นนี่ถ้าเห็นวัตถุเหล่านั้นแล้วละลึกถึงศีลน่ะระลึกถึงศีลสมท า, านเจตนาเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นเหตุให้อายุยืนเกิดในสุขติโลกสวรรค์แล้วก็เป็นเหตุให้อายุยืนเจตนาที่เว้นจากการถือเอาจากทรัพย์ของผู้อื่นเป็นเจตนาให เป็นเหตุสุขติโลกสวรรค์แล้วก็มากมากด้วยโผคะถ้าเจตนาที่เว้นจากการประพฤติผิดในกามเจตนานั้นก็เป็นเหตุให้เกิดในสุขติและเป็นที่รักของมหาช น, า น, นเจตนาที่พูดคำสัตว์เป็นต้นก็นะก็เป็นเหตุให้เกิดในสุขติแล้วก็จะได้ฟังแต่คำสัตว์คำจริงเป็นผู้พูดเป็นลักษณะนักผู้ที่ควรเชื่อถือบางคนเนี่ยนะมันมีบุญขนาดว่าหลอกคนอื่นเายังเชื่อเลยนะ เป็นคนที่มีบุญขนาดนั้นอ่ะนะมูสาเขายังเชื่อเลยพูดอะไรเขาเชื่อหมดอ่ะอ่านะพูดจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะเขาเชื่อหมดเลยอย่างสแตดัมเนี่ยนะพูดถ้าเขาไม่เชื่อเนี่ยมันจะใหญ่ได้ขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหมลหลายคนนี่ไม่ได้พูดในเรื่องในราวอะไรแต่คนก็เชื่ออย่างฮิตเลอร์เนี่ยคนก็เชื่อแล้วก็คนเลวอีกไม่ใช่น้อยเลยพูดอะไรคนเชื่อหมดเพราะอะไรเพราะผลของเขารักษาศีลไวด้ดีเขาใช้ให้คนไปทําอะไรก็ทําได้เอาตายเอ า, เอาเป็นเอาตายตามคําที่เขาพูดหมดอ่ะ เขาบอกว่าคำสั่งคำเดียวกันนี่ถ้าหลุดจากปากเขาคนต้องปฏิบัติตามเสมอด้วยชีวิตคำเดียวกันถ้าคนอื่นสั่งเขาทำไหมไม่ทำเพราะนั่นเป็นผลของศีลศีลที่พูดไว้ดีทำให้มีอำนาจเป็นต้นแต่ถ้าศีลไม่ดีเนี่ยพูดอะไรเป็นผิดคนนี้เงียบไว้เนี่ยจะดีที่สุดแล้วนะพูดเมื่อไหร่เราได้เรื่องละอันนั้นเป็นผลมาจากศีลที่รักษานะมันศีลเนี่ยเป็นเหตุแห่งความสุขทั้งหลาย มนุษยสมบัติทั้งหลายเป็นต้นนี่เกิดจากศีลแม้กระทั่งสวรรค์สมบัติหรือผู้ที่จะบรรลุพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยคุณธรรมคือศีลเนี่ยนะศีลผู้ที่รักษาศีลก็คือคนที่รักษาความสุขรักษาความสุขเอาไว้ได้ถ้าไม่รักษาศีลประทุสร้ายความสุขแล้วก็ร้องเรียกหาแต่ความทุกข์เมื่อไหร่จะพ้นทุกข์เนอะ มันผู้ที่รักษากุศลศีล ร, ร, รักษาเจตนาศีล ร, รักษาเจตสิกศีล ร, รักษาสังวรศีลทีนี้คำว่ารักษาก็คือหมันระลึกบ่อยๆเห็นอะไรก็เห็นศีลด้วยเห็นอะไรก็เห็นศีลด้วยนั่นแหละเรียกว่าผู้รักษาศีลก็ผู้ที่รักษาศีลอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้สารวมด้วยปาติโมฆสังวร ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในคำภีวิพังว่าภิกษุเป็นผู้เข้าถึ ง, เ ข, ถงเข้าถึงพร้อมมาถึงมาถึงพร้อมเข้าใกล้เข้าใกล้พร้อมประกอบด้วยปาติโมฆขสังวรนี้ด้วยเหตุนั้นจึงตรัสว่าผู้สํารวมด้วยปาติโมฆขสังวร น, นะรักษาปาติโมกเนี่อรักษาเวลาไหนบ้างยืนก็รักษาเดินก็รักษานั่งก็รักษานอนก็รักษาเรียกว่าวิหารติตัวนั้นเนี่ยแปลว่าอยู่อยู่ด้วยวิหารติวิหารมีกี่อย่าง วิหารนะไม่ใช่บอกว่าวิหารเนี่ยที่วัดนี้มีวิหารเดียววิหารอยู่ตรงไหนบอกอยู่หน้าพระเจดีย์ไงอันนั้นหรือเปล่าเขาก็วิหารไงวิหารวัดวัดท่านมีวิหารหรือยังนี่หเป่าเอาคำวิหารเนี่ยโดยศัพแปลว่าอยู่นะที่อยู่อยู่มีถ้าทางธรรมะเนี่ยไม่ได้เน้นที่วัตถุหนึ่งอิริยาบทเรียกว่าอริยาบทวิหารสองทิพวิหารสามพรหมวิหารสี่อริยวิหาร อิริยาบถวิหารเช่นว่าเราอยู่ยังไงตอนนี้นั่งอ่ะเนี่ยเรียกว่าอยู่เหมือนกันนะนอนก็เรียกว่ า, าอยู่เดินก็เรียกว่าอยู่นั่งยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอยู่ทางนั้นเรียกว่าอิริยาบถวิหารถ้าพรหมวิหารก็อยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยกรุณาอยู่ด้วยมุทิตาอยู่ด้วยอุเบกขาเรียกว่าพรหมวิหารถ้าทิพภวิหารทิพภวิหารก็อยู่ด้วยฌานที่หนึ่งสองสาสี่อย่างใดอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าทิพพวิหารอยู่ด้วยฌาน ถ้าอยู่ด้วยพระสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยโสดาปฏิผลดเป็นต้นเรียกว่าอาริยวิหารอาริยวิหารอันนี้หมายถึงรักษาปาฏิมโมกขุกอิริยาบถเนไหมนะรักษาปาฏิมโมกข์ไม่ว่าเดินก็รักษาศีลยืนก็รักษาศีล น, นั่งก็รักษาศีล น, นอนก็รักษาศีลถ้ารักษาได้บอ่บอยๆนานๆยาวๆอย่างนี้โยมว่าจะมีความสุข distance, ไห ม, ไมก็ใครที่ที่แบ่งชีวิตสองส่วนออกได้เนี่ยนะว่า ตอนทุศีลกับตอนมีศีลต่างกันอย่างไรก็จะรู้จักอานิสงส์ของตอนมีศีลกับตอนทุ่ศีลเนี่ยนะตอนที่ทุศีลศีลไม่มีเนี่ยมันเป็นชีวิตที่อุ้ยอับเฉาทุกข์มากเนี่ยนะมันนึกได้แล้วตอนเด็กๆ เ, เ, เนี่ยนะเด็กๆเนี่ยภารกิจหลักก็คือฆ่าสัตว์เอาวันๆห น, นึ่งโอ้ยแดดร้อนๆอย่างนี้ไปฆ่าสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งต้องได้สักอย่างหนึ่งก็แล้วกัน คาปลาบ้างข่าสรุปว่าเกี่ยวกับพวกกับปลาเนี่ยพวกสัตว์ตามป่านี่แหละเฮ้ยเดือดร้อนมากเลยเนะีเดือดร้อนถึงขนาดว่าบวชมาแล้วนึกถึงก็ยังลำบากใจอยู่ว่างั้นเถอะเอาถามว่าทําไมเป็นนึกทําไมนะแหมพูดง่ายทํายากเอามันนึกแล้วจะทํำยังไงกันนี่ปัญหาว่าไอ้ยังไม่นึกไม่เท่าไหร่แล้วนึกแล้วจะแก้อย่างไงตรงนั้นต่างหากเพราะฉะถ้าทุ่สีเนี่ยไม่ดีจริงๆรและลึกแล้วก็ เดือดร้อนใจแต่ถ้าเรารักษาศีลนึกแล้วก็สบายใจนึกแล้วก็มีความสุขศีลเนี่ยนำมาซึ่งความสบายใจจริงๆแต่คนที่รักษาปั๊บลาบากใจก็ก่อนหน้านี้ไม่เคยรักษาเลยก็พอเริ่มรักษาก็เริ่มลำบากใจเพราะยังไม่รู้คุณยังไม่รู้อันนี้สง์แต่ถ้ารักษามากๆรักษานา น, านๆศีลยั่งยืนมั่นคงเนี่รักษาแล้วก็มีความสุขเนี่ยนะแล้วก็ทาให้ศึกษาพระธรรมเนี่ยเข้าใจมาก คนศีลดีกับคนศีนไม่ดีเนี่ยนะฟังธรรมเนี่ยเข้าใจไม่ได้เข้าใจเท่ากันนะคนเดียวกันตอนทู่ศีนฟังธรรมกับตอนมีศีนฟังธรรมเนี่ยนะก็ต่างกันนนะต่างกันเพราะคุณภาพของศีนเนี่ยเป็นตัวเพิ่มพูนสติและปัญญาถ้าศีนดีสติปัญญาก็ดีถ้าศีนไม่ดีสติปัญญาก็เสื่อมน้อยลดถอยลงไปมันก็ให้มีศีลในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งหรือนอนต่อไป บทว่าอาจาระโคจาระสัมปันโนความว่าชื่อว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเพราะเว้นจากอนาจารทั้งปวงอนาจารก็คือความประพฤติเสียหายะนะเหตุไม่ทามิจฉาชีพมีการให้ไม้ไผ่เป็นต้นและการขนองกายเป็นต้นแล้วประกอบด้วยอาจาระสมบัติอันสมควรแก่ภิกษุที่ตรัสไว้ว่าไม่ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาไม่ล่วงละเมิดทั้งทางกายและวาจา เรียกว่าเว้นจากอนาจารการทําอนาจารเนี่ยนะพระภิกษุที่เลี้ยงชีวิตด้วยผิดศีลก็เรียกว่าประพฤตอนาจารเช่นให้ไม้ไผ่เป็นต้นเนี่ยนะหมายความว่าให้ไม้ไผ่แก่ชาวบ้านชาวบ้านเขาจะได้เลื่อมใสไงก็แจกขอข้าวของคารวาะไปเท่าที่จะแจกได้มีอะไรบางรูปเนี่ยถึงขนาดเอาของสงเอาของวัดไปเที่ยวแจกชาวบ้านเขาจะได้รับตัวเนี่ยนะอันนั้นก็เรียกว่าอาจาระไม่ดีนะการทําแบบนั้นก็เรียกว่าอนาจาร การประพฤติทําตัวเป็นหมอเป็นต้นก็เป็นการประพฤติอนาจาร์หรือไม่การคนองทางกายเนี่ยนะอย่างเช่นพระพิสุฟอนรําขับร้องพวกนี้ก็เรียกประพฤติอนาจาร์เหมือนกัน อ, อันนี้แหละเว้นจากอนาจาร์เหล่านั้นทั้งหมดแล้วก็เว้นจากอะโคจรคือหญิงแพทย์สยามร้านสุราเป็นต้นเนี่ยนะก็อย่าไปเที่ยวไปแถวนั้นนะเขาเรียกว่าเว้นจากอนาจาร์ เว้นจากอะโคจรอีกอย่างหนึ่งภิกษุใดมีความเคารพยำเกรงในพระศาสดามีความเคารพยำเกรงในเพื่อนสะพรมจารีถึงพร้อมด้วยฮิริโอตปะนุ่งห่มเรียบร้อยมีการก้าวไปก้าวกลับแลดูเหลียวดูคิคูเหยียดหน้าเลื่อมใสสมบูรณ์ด้วยอิริยาบทคุ้มครองทวารในอินซีรู้จักประมาณในโภชนะถึงพร้อมด้วยความเพียรประกอบด้วยสติและสมปัญญะเป็นผู้มักน้อยสันโดษ วิเวกไม่คลุกคลีด้วยหมู่กระทําความเคารพในอภิสมาจาริกวัรประเพสอุปชายาวัตรเป็นต้นมากด้วยความเคารพและยำเกรงอยู่ทิกษุนี้ท่านเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระลักษณะของผู้มีศีลเป็นอย่างนี้หน้านี้เนี่ยข้อความตรงนี้เนี่ยประกาศถึงลักษณะของสาวกของพระพุทธเจ้าที่ ด, ดูนะถ้าอย่างนึกถึงนะถ้าสมัยพุทธกาลภิกษุทุกรูปเนี่ยโดยมากเป็นอย่างนี้ร้อยละเก้าสิบนะ จะมีเรียกว่าพันรูปจะมีไม่ดีอยู่สักรูปหรือสองรูปอย่างมากเนี่ยนะในบรรดาพันรูปหมื่นรูปเนี่ยนะเพราะพระภิกษุเหล่านั้นเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าเคารพยำเกรงในเพื่อนสัพพมจารีมีอุปชาอาจารย์เป็นต้นมีฮิริโอตปะละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปอกุศลนุ่งห่มของท่านก็เรียบร้อยการก้าวไปการกลับการแลเหยวการคู่การเหยียดกิริยาทั้งหมดเนี่ยดูแล้วเริ่อมสระน่าเลื่อมใสไปหมดเลย สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถเนี่ยนะหมายความว่าไม่ใช่ว่าการเดินของผู้มีศีลเนี่ยนะดูแล้วก็น้าเลื่อมสายการยืนการนั่งก็น่าเลื่อมสายไปหมดตาของท่านก็ไม่ใช่ตาแบบอะไรนะล็อกแรกล็อกแร ก, กก็ไม่ใช่คุ้มครองตาหูก็ไม่ใช่ไปที่อะไรนะเขาคุยอะไรก็โอ้ยไปจํามาทุกเรื่องไปหมดก็ไม่ใช่คุ้มครองตาคุ้มครองหูอาหารก็รู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับ รู้จักประมาณในการบริโภครู้จักประมาณในการสลัถึงพร้อมด้วยความเพียรเนี่ยนะเพียรในการกําจัดบาปกําจัดอกุศลประกอบด้วยสติสัมปชัญญะศาสกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสปายะสัมปชัญญะอาศัมโมหะสัมปชัญญะเป็นต้นมักน้อยในปัจจัย4แต่ยินดีในการเจริญกุศลธรรมสันโดษในปัจจัย4แต่ไม่สันโดษในกุศลธรรมชอบสงัดทางกายวาจา แล้วก็ยินดีในพระนิพพานที่เป็นความสงัดแท้จริงไม่คลุกคลีด้วยหมู่กระทําความเคารพใน อ, อภิสมาจาริกวัตดหมายถึงอุปชายวัตรอาจารยวัดอันเทวาสิกวัดอาคันตุกวัดเป็นต้นมากด้วยความเคารพและยำเกรงนี่แหละเรียกว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระสมบูรณ์ด้วยมารยาจจริงๆเนี่ยนะอันนี้คือคุณธรรมซึ่งถ้าทําตรงกันข้ามเรียกอนาจาร น, นะประพฤติอนาจารก็เสียหาย ส่วนโคจรมีสามอย่างนะนะพุทธพจน์ที่บอกว่าสมอาจาระโคจรสมปันโนถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรเนี่ยนะโคจรมีสามอย่างหนึ่งอุปนิสัยโคจรโคจรนี่โดยศัพท์เนี่ยแปลว่าเที่ยวอารักขะโคจรอุปนิพันธะโคจรเรียกว่าเที่ยวโดยเอ่อเที่ยวโดยอุปนิสัยเที่ยวด้วยการรักษาเที่ยวไปด้วยการผูกพัน อุปนิพันธ์ก็คือผูกพันอธิบายว่าภิกสูดประกอบด้วยคุณคือกถาวัตถุสิบนะมีความเป็นลักษณะของมีมิตรงามคือลักษณะของกาลยานามิตรคือมีคุณเครื่องของกาลยานามิตรดังที่กล่าวไปแล้วซึ่งอาศัยแล้วย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังได้ทำคือเจริญในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ฟังมาแล้วให้ผ่องแผ้วตัดความสงสัยเสียได้ ทำความเห็นให้ตรงทำความเข้าใจให้ถูกต้องดียิ่งขึ้นสามารถทำใจให้เลื่อมใสเมื่อศึกษาตามย่อมเจริญหมายความว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับคนนี้แล้วศรัท ธ, ธาเพิ่มมีศรัท ธ, ธาเพิ่มมีศีลเพิ่มมีสุ ต, ตะเพิ่มมีจาคะเพิ่มมีปัญญาเพิ่มการเข้าไปผูกพันกับบุคคล น, นี้เรียกว่าอุปนิสัยโคจรเข้าไปเอาอุปนิสัยจากท่านเข้าไปาไป ไปเอาคุณเครื่องคุณธรรมเหล่านั้นไปซ่องเสพเอาอัธยาศัยนะเพราะอะไรเพราะท่านมีคุณงามความดีดังที่กล่าวไปแล้วใช่ไหมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาเป็นต้นเมื่อเราไปเกี่ยวข้องท่านก็จะพูดพระธรรมหรือพูดคําสอนให้เราได้ยินได้ฟังสิ่งใดที่เราได้ยินได้ฟังก็เข้าใจเพิ่มยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นความสงสัยที่เคยมีก็หายไปความเข้าใจในคําสอนก็ตรงขึ้นตรงขึ้น สามารถที่จะเห็นอริยสัจได้ชัดเจนขึ้นใจก็เลื่อมใสปฏิบัติตามศรัท ธ, ธาก็มากขึ้นมากขึ้นศีลก็ดีขึ้นดีขึ้นได้ยินได้ฟังมากขึ้นมากขึ้นะนะเสียสละสละบาปอากุศลได้มากขึ้นมีปัญญารู้เห็นกรรมรู้เห็นผลของกรรมตลอดจนถึงมีปัญญาที่รู้ความเกิดโดยอาการ25้ดับโดยอาการ25การที่เราท่องเที่ยวไปเกี่ยวข้องกับท่านมากเรียกว่า อุปนิสัยโคจรก็เรียกว่า อ, อุปนิสัยก็คือปัจจัยที่มีกําลังเป็นชื่อของปัจจัยที่มีกําลังการท่องเที่ยวไปเพื่อเอาปัจจัยที่มีกําลังนั่นเองเรียกว่าเอาสิ่งที่มีกําลังมากเพราะเราเกี่ยวข้องกับบุคคลเช่นนี้แล้วทําให้เราสมบูรณ์ด้วยศรัทธาศีลสุตะจากข้และปัญญาจากคนยากกลายเป็นคนมีอริยทรัพย์เลยทันทีเนี่ยนะจากคนไม่มีศรัทธากลายเป็นผู้มีศรัทธาจากผู้ไม่มีศีล กลายเป็นผู้มีเีษพาะบุคคลเหล่านี้ควรโครจรเข้าไปหานั่งใกล้เงี้ยโสดลงฟังจะได้เจริญอ น, นะผู้ใครที่สแสวงหาบุคคลเช่นนี้ได้เรียกว่าอุปนิสัยโครจรแต่ท่องเที่ยวเอาอุปนิสัยอนะเอาปัจจัยที่มีกำลังเพราะว่าปกตูปะนิสยะปัจจัยนี่มีอยู่สองอย่างปกตูปะนิสยะภายในตัวกับภายนอกปกตูปัิสยะภายในตัวก็คือเช่น คนที่เคยโกรธมันก็จะโกรธยิ่ง่งขึ้นไปคนที่เคยโลภก็จะโลภยิ่ง่งขึ้นไปเป็นต้นเนี่ยนะหรือความกุศลเป็นปัจจัยให้เพิ่มพูนกุศลขึ้นไปยิ่งย่งขึ้นอันนี้เรียกว่าอุปนิสัยภายในคนคนนี้นะขี้น้อยใจไม่ใช่แต่วันนี้นะเมื่อวานก็ขี้น้อยใจเมื่อสิบปีก็ขี้น้อยใจคนนี้ขี้โกรธนะเมื่อก่อนเขาก็ขี้โกรธเหมือนกันคนนี้เป็นคนดีเขาดีมานานแล้วอย่างงี้ยนนะันกเสลักษณะอุปนิสัยภายในตัวถ้าอุปนิสัยภายนอกตัวล่ะเรียกว่า คบบุคคลเช่นใดก็จะเป็นเยี่ยงคนเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นนกบางตัวก็ในสัตติาากุมพระชาดกนกนกตัวหนึ่งนกแขกเต้าตัวหนึ่งตกไปอยู่กับพวกโจรกลายเป็นนกนิสัยเหมือนกับพวกโจรหมดเลยนกตัวหนึ่งไปอยู่กับพวกฤาษีผู้มีศีลกลายเป็นนกมีศีลเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าคบคนเช่นใดก็จะเป็นคนเช่นนั้นเนี่ยนะคบคนเช่นใดก็เหมือนกับอะไรนะใบไม้หอ่อปลาเน่าเป็นต้นเนี่ยก็ลักษณะนั้นมันอันนี้ก็เหมือนกัน เราเป็นคนไม่ดีได้คบกับคนดีก็ยังชื่อว่ามีเพื่อนดีะนะอย่างอย่า ง, ง, งน้อยที่สุดก็เออมีเพื่อนดีถ้าเราสามารถเอาอัธยาสัยของท่านเหล่านั้นมาได้เราก็เชื่อว่าได้ที่พึ่งที่ดีเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอุปนิสัยโคจรให้ท่องเที่ยวไปเพื่อเอาคุณธรรมเหล่านี้จากผู้มีคุณเนี่ยนะต่อไปภิกษุใดเข้าไปสู่ละแวกบ้าน เดินไปตามถนนมีตาทอดลองแลดูชั่วแอกเดินสำรวมจากขุนสรีไปไม่เดินแลพลช้างไม่เดินแลพลมา้าไม่เดินแลพลรถไม่เดินแลพลราบไม่เดินแยหญิงไม่เดินแลชายเรียกว่าไม่แงนดูไม่ก้มดูไม่เลี้ยวดูตามที่น้อยที่ใหญ่นี่เรียกว่าอารักขาโคจรเคยลักษณะอะไรนะแบบบ้านนอกเข้ากรุงไง ดูไมหมดเลยนะอ้ยลอกเล็กลอกเล็กดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาเนะี่ถ้าลักษณะแบบนั้นเนี่ยถามว่าพระเนี่ยจะงามไหมอยังนะว่านะั่นนะก็บอกว่าอะไรนะคิดจะถวายทานอยู่ดีๆเอาอาหารไปเลี้ยงปลาดีกว่าอย่างนีว่านะไม่น่าเลื่อมใสเลยอย่างเงนะี้ยนันก็ก็คือครพระเป็นเป็นผู้ที่สํารวมอนะกิริยามารยาทเนี่ยเห็นแล้วมันน่าเลื่อมใสอย่างนั้นเถอะไม่ใช่เห็นแล้วก็แหม เลี that, that ้ยวกลับเลยนะก็บอกว่าสัมมนานั so like ่นจะทัศนงการเห็นสัมมนี่เป็นมงคลแต่วันนี้ขอหลบตาหน่อยขอหลบหน่อยว่าเห็นแล้วดูท่าจะอัปมงคลอย่างเงี้ยนะดูท่าแล้วจะสังเวชใจไปเห็นท่านอยู่ในร้านวิดีโออย่างเงี้ยเลเห็นแล้วเศร้าใจนะบางคนก็บอางั้นเลยโยมคนหนึ่งบอกอ่ยโยมกราบขอร้องเถอท่านเอ้ยอย่ามาเลยที่อย่างนี้มันไม่เลื่อมใสเหมือนั้นอยงท่านก็บอกไปเลือกวิดีโอเก่งกว่าเด็กอีกอย่างเงี้ยหนักมากก็ เด็กๆ เ, เข้าไปเลือกวิดีโอเขามาเล่าให้ฟังว่าไปเลือกแข่งกับพระเหมนกันแพ้พระเลยพระเลือกเก่งกว่างั้นเลยรู้พระรื่เนเร้นก็ไม่ทราบเพรานในลักษณะนั้นก็แสดงว่าไม่ดีใช่ไหมท่านก็บอกว่าถ้าไปเจอท่านในวันหลังอยากจะใส่บาตรให้ไหมอยากจะถวายทานให้สร้างกุฏิให้อยู่สักหลังไหมอย่างเงี้ยก็คือไม่น่าเลื่อมใสนั่นเองเท่านผู้ที่อารักขาโคจรสํารวมระเวทระวังตกปักรักษามไม่ให้ตา ไปไปดูในสิ่งที่ก่อให้เกิดบาปอากุศลรักษาหูไม่ให้ไปฟังในสิ่งที่ก่อให้เกิดบาปอากุศลรักษากายยวิการ น, นะนะความประพฤติ ท, ทางกายมือแขนขาเป็นต้น น, นักษาไม่ใช่ค อ, อนี่หันได้ก็หันไปสักรอบไปหมดนะก็มไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าอารักขาโคจรรักษากิริยา ม, มารยาทพฤติกรรมได้อย่างดีส่วนอุปนิพันธะโคจร ที่เรียกว่าโครจรโดยการอุปนิพันธะก็คือเข้าไปผูกพันเอาไว้นนะ่หมายถึงว่าสติปัฏฐานสี่อันเป็นที่ซึ่งภิกษุเข้าไปผูกจิตของตนเอาไว้สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สูทั้งหลายก็อะไรเป็นโครจร อ, อันเป็นวิสัยของบิดาของตนของภิกษุหมายคาอว่าถ้าท่องเที่ยวไปอย่างนี้เนี่ยเป็นการโครจรตามทางของพ่อ พ่อคือพระพูทเเจ้าเนี่ยเป็นการเดินตามพ่อจริงๆเลยก็คือคิดตามสติปัฏฐานเห็นรูปประคันปัปกายานุปัสนามาเลย14บส่บาพะงงะนะระอย่างเงี้ยนะารบเวทนาก็เวทนา9จิต16ธรรมห5กลุ่มเนี่ยนะโคจรไปด้วยสติปัฏฐานทั้ง4ดังกล่าวนี้แหละเรียกว่าอุปนิพันธะโคจรเป็นการท่องเที่ยวไปแบบผูกพันในสติปัฏฐานผูกพันด้วยกรรมฐานโคจรทั้ง3าอย่างเนี่ยนะ เพราะอุปนิสยโคจรท่านกล่าวไว้ก่อนแล้วที่นี้เพิ่งทราบว่าโคจรสองอย่างนอกนี้อันนี้หมายความว่าถ้าใครจำเนื้อหาทั้งหมดมาได้ไม่มีปัญหาก็คืออุปนิอุปนิสัยโคจรก็อยู่ในมีมิตร ด, ดีมีสหายดีใช่มมีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีหมู่ดีอันนั่นแหละคืออุปนิสยโคจรส่วนโคจรคืออารักขะโคจรรักษาตาหูรักษาแขนขาไม่ให้เสียหาย อันนั้นไม่ให้เป็นบาปอกุศลอันนั้นให้ให้มันดูเหมาะสมอันนันแล้วก็รักษาใจให้เป็นไปกับกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตตานุปัสนาธรรมานุปัสนาก็เรียกว่าอุปนิพันทโคจรมันก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอาจาระคือศีลดีโคจรก็งามภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรประกอบด้วยอาจาระสมบัติตามที่กล่าวแล้วนี้และโคจรสมบัตินี้ด้วยประการชนีอันะัน ก็ถ้าคิดไปก็เป็นเครื่องบ่มอินทรีย์จริงๆนะเครื่องบ่มเจโตวิมุติเครื่องบ่มอริยมรักนะการปฏิบัติตามตามสิ่งที่กล่าวไปแล้วเนี่ยคือการบ่มให้อริยมรักที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดขึ้นเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่ออริยมรักมากเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อให้สมควรแก่อริยมรักเนี่ยนะนะต่อไปหน้า396บอกว่าอนุม um ัติเตสุวัชเชสุพยดสซาวีในความว่า ผู้มีปกติเห็นภายในโทษต่างด้วยเสขี ย, ขยะศิกขาบทที่ภิกษุไม่แกล้งต้องและอกุโซรจิตตุบาทเป็นต้นที่ชื่อว่ามีประมาณน้อยเพราะมีประมาณเล็กน้อยจริงอยู่ภิกษุใดเห็นโทษมีประมาณน้อยกระทําให้เป็นเหมือนเขาสินเนรุสูงหนึ่งแสนหกสิบแปดโยต์ฝ่ายภิกษุใดเห็นอบัตเพียงทุพภาสิทธ์ซึ่งเป็น อาบัตเบาวกว่ า, าบัตทั้งปวงกระทาให้เป็นเหมือนอบัตตาราชิกพิสูจนนี้ชื่อว่ามีปกติเห็นภายในโทษมีประมาณน้อยก็บอกว่าเห็นโทษเล็กๆ เ, เ, เนี่ยนะเห็นเห็นเรื่องเสียหายเล็กๆน้อยเนี่ยเห็นหมู่ใหญ่โตเท่ากับภูเขาเหล่ากาเนี่ยนะอะไรก็ตามเป็นข้อเสียหายเล็กๆน้อยเนี่ยมองว่ามนันเรื่องใหญ่มากเลยนี่ก็เหมือนการมองเห็นว่าการผิดอาบัตแม้เล็กน้อยเช่นว่าอย่างในสิกขาบท ในในเสคีวัดเพิ่งทมศึกษาว่าจักไม่ฉันเสียงดังจับจับไม่เสียงดังสู้ๆเป็นต้นเน่ยนะเขจะมีในสิกขาบทห้ามไว้อย่างนั้ น, น, ท, น, นทีนี้มองเห็นว่าไอ ก, การฉันเสียงดังจับจบเนี่ยโอ้มันใหญ่เท่าปาราชิกเลยอย่างเง้ยนะถ้าอย่างนี้ได้ก็นี่เรียกว่าเห็นภายในโทษมาศว่าเล็กน้อยใหญ่เท่ากับปาราชิกหรืออบัตทุภาสิตถือว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อยที่สุดทุภาสิตแปลเป็นภาษาไทยทุแปลว่าไม่ดีภาสิตก็คำพูดนันะนนพูดไม่ดีพูดว่า ย, ยัางไงพูดหยอกเย้าเล่น อันนะั้นเย้าเล่นด้วยอำนาจโลภะเช่นว่าโอ๊ยอะไรนะัสูงอย่างกระเสาไฟฟ้านี่นะพร้อมอย่างกระไม้เสียบอะไรก็ว่าไปคือคือพูดเล่นเล่นสนุกสนุกไปอ่ะนะไปพูดเล่นเล่นกับใครเนี่ยอย่างนี้เนี่ยอ้วนเหมือนตุม่มอะไรเนงะี้ยผิวขาวเหมือนอะไรก็คือพูดเล่นอ่ะนะพูดเปรียบเทียบอลักษณะ น, นี้เรียกว่าทุพสิทธิ์เป็นอบัตชื่ออบัตหนึ่งในในอบัตเจดกอง พระพิสูจนมียบัตร7กองหนึ่งปราชิกสองสังขาธิเศษสาทุรจสี4ปาจิตตีห้าปฏิเทศนิยะหทุกกฎเจทุพภาสิตทุพภาสิตธิ์ถือว่าเล็กน้อยที่สุดก็คือพูดพูดแซวเล่นแบบเนี่ยอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะพูดกระทบกระทบโคตรกระทบตระกูลแต่ว่าพูดคขำขำสนุกสนุกไปเนี่ยนะไม่ได้พูดจะด่าจะอะไรหรอกอนะพูดกระทบชาติกระทบตระกูลกระทบผิวพันธุ์กระทบรูปร่างกายกระทบศิลปะวิทยาฐ า, นะานะนะอย่างใดอย่างหนึ่ง อนนลเรียกว่ า, าบัตทุภาสิทก็มองว่าการพูดเล่นๆแบบนั้นเนี่ยใหญ่เท่ากับปาราชิกเลยละนี่ะนี่แหละเขาเรียกว่าเห็นโทษแม้เพียงประมาณว่าเล็กน้อยก็บอกว่ามองเห็นฝุ่นใหญ่เท่ากับต้ก้อนเมฆนะนีมองเห็นว่ า, าบัตเล็กน้อยใหญ่เท่าภูเขาเหล่ากาบทว่าสมาทายสิกขิสิกขาประเดสุความว่าภิกษุยึดถือสิกขาบทที่ควรศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งในสิกขาบททั้งหลายโดยไม่มีส่วนเหลือ หมายาว่ารักษาศีกขาบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติทุกข้อทุกประการโดยประการทั้งปวงศึกษาอยู่อธิบายว่าย่อมประพฤติคือทำให้บริบูรณ์โดยชอบปฏิบัติอย่างดีปฏิบัติด้วยการใส่ใจอันนี้ชื่อว่าธรรมะข้อที่สองที่ช่วยบ่มวิมุติบ่มเจโตวิมุติให้แก่กล้าเป็นการเจริญสัทธินรีเพราะว่าผู้ที่ศีลดีเนี่ยประกาศถึงลักษณะผู้ที่มี สัตทินซีดีเนี่ยนะันธรรมะบ่มวิมุตข้อที่สองก็ก็จบแันนะใช่ไหมก็คือศีเนี่ย ب. อะไรนะมีปาติโมคถึงพร้อมด้วยอะไรนะปาติโมคัสังวรัสังวุตโตอาจาระโคจระสัมปนาเนี่ยนะเรียกว่าถึถึงความเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในปาติโมคถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอนอะนะ เห็นภายในโทษมาดว่าเล็กน้อยสมาธานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายอันนี้ก็คือว่าเป็นธรรมะที่บ่มเจโตวิมุตต์คืออริยมรรคบ่มให้อริยมรรคเกิดขึ้นเพื่อหลุดพ้นจากกิเลสกิเลสเนี่ยนะเหมือนกับว่าฟังแล้วนะแบบภาษาไทยไทยบางทีเนี่ยละกิเลสฟังแล้วไม่น่าละเลยแต่ถ้าบอกว่าละความอับเฉาเศร้าส้อยในใจเนี่ยนะ ค, คือกิเลสเนี่ยนะแปลว่าสิ่งที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองตัวความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในจิตใจกิเลสเนี่ยเปรียบเหมือนเชื้อโรคที่ประทุสล้ายให้ใจในเศร้าหมองเพราะมันเป็นอกุศลเจตสิกที่ประทุสล้ายจิตเพราะฉะนั้นการรักษาปาติโมกถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นเนี่ยนะจะ ก, กําจัดความเศร้าหมองทางจิตได้อย่างสิ้นเชิงเลยนะได้อย่างสิ้นเชิงถ้าหากว่ามีการปฏิบัติจนอริยมรรคเกิดขึ้นถ้าเจโตวิมุตติคือบรรลุอริยมรรคได้ก็ หลุดพ้นจากความเศร้ามองโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นใจจะไม่มีคําว่าเศร้ามองอีกต่อไปดังนั้นความทุกข์ในโลกนี้ก็เกิดจากความเศร้ามองทางจิตนั่นเองดังนั้นผู้ที่บริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ทางจิตผู้ที่เศร้ามองก็เศร้ามองทางจิตดันัออออ้นการปฏิบัติรักษาปาติโมกเป็นต้นก็เพื่อเพื่อความหลุดพ้นทางจิตใจนั่นเองพักสักครู่ก่อนนั้นแล้วค่อยมากล่าวถึงธรรมะบ่มอินทรีย์ข้อต่อไป